มีอะไรล่าให้ฟังบ้างอะไรสังขารคือความคิดปรุงแต่งของเรามันมันทํางานได้ขณะเดียวมันก็ทําได้อย่างเดียวจะทําทางกิเลสก็ได้ทําทางธรรมะก็ได้ทาทางที่ไม่ใช่กิเลสหรือธรรมะก็ได้ที่ท่านสอนในงานศพนี่ อุสลาธรรมะอกุสลาธรร ม, มระอภยาญาตาธรรมะนันก็หมายถึงสังขารความคิดตรุงแต่ที่คิดปรุงแต่งไปทางกุศลก็ได้อกุศลก็ได้หรือไม่ใช่กุศลหรืออกุศลก็ได้ที่ครูบาอาจารย์ท่านพยายามสั่งสองนพวกเราก็ให้คิดไปในทางกุศลไม่ให้คิดคะครับว่าคิดโตคิดโทเนี่ยเป็นกุศลว่าคิดแล้วมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ร้อนคิดแล้วมันเย็ยน มันสงบถ้าปล่อยให้คิดตามภาษาของพวเรามันจะชอบคิดไปทางกิเลสพอเกิดความเจ็บปวดซึ่งมาก็เกิดความกลัวเกิดความอยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปเออยากจะหนีจากมันไปได้ยินไหมแล้ว เราต้องมาฝึกมาสร้างกุศลฝึก ส, สอนจิตให้คิดไปในทางทคลื่อนกุศลควบคุมสังขารให้ไปในทางกุศลเบื้องต้นก็ให้เอาบริกรรมไปก่อนหรือที่เรานิยมทำกันทั่วไปก็เปิดศนว์มเดินพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณ เพียงแต่เวลาเราสวดกันนี้เรามักจะสวดโดยไม่มีสติหรือบริกรรมโดยไม่มีสติเราก็สวดไปตามความเชื่อทําไปแต่ไม่ไม่รู้จักเทคนิควิธีที่สวดอย่างถูกต้องหรือบริกรรมอย่างถูกต้องเราก็สวดไปแล้วเราก็คิดเรื่องอื่นไปด้วยมีเรื่องอะไรอยู่ภายในใจเราก็คิดไปสู่ป่านใจผลมันก็เลยไม่ ไ ม, ไ, มไม่ปรากฏถ้าเราสวดอย่างเดียวหรือบริกรรมอย่างเดียวโดยที่มีสติควบคุมใจควบคุมความคิดให้อยู่กับการสวดด้วยกับการบริกรรมจิตมันจะสงบอย่างรวดเร็วในประวัติของคุณแม่เจ้าที่มุตานท่าือไว้ในปฏิปทาทั้งแรกที่คุณแม่เจ้าลองพอมาลองบริการมพิถน ประมาณสักห้านาทีจิตก็รวมลงรวมก็เสู่ความสนุกได้ถ้าเราไม่เคยเป็นเราก็ฟังแล้วมันก็สสัว่ามันเป็นไปได้ยางไเพราเราสตดมาเป็นปีปีบริกรรมมาเป็นปีปีไม่ได้เห็นมีจะเป็นอย่างที่ท่านเขียนเลยเพราะการบริกรรมของพวกเรามันไม่เหมือนกับการบริกรรมท่ทาน ท่านบริการแบบร0 0เหมือนสุราเหล้าก็แบบไม่ไม่ประสงค์น้ำแข็งไม่ผสมสุดาเมขาเรียกเล่าเพียวๆอร่างเียาบริการของท่านก็มีแต่ทุกโท ร, รวนๆไม่ได้ส่งจิตไปคิดเรื่องอื่นเลยสาเหตุอาจจะเป็นเพราะท่านได้เจริญสติมามากพอในอดี สตินี่มันติดมากับใจพอให้มันทํางานกับอะไรมันก็จะทํางานของมันจริงๆคนที่คนที่พาวนาแล้วสงบได้กับคนที่ยังสงบไม่ได้นี่ตัวปัจจัยสำคัญก็คือตัวสตินั้ น, นอย่าไปสงสัยอย่าไปคิดว่าทําไมเขาได้เราไม่ได้นี้อเราได้เขาไม่ได้ก็ในอดีตเรา สาสมมาไม่เหมือนกันอยูที่ตรงนี้อยู่ที่กิดสติเป็นหลักถ้ามีสติแล้วอะไรมันก็จะตามมาสมาธิก็ตามมาปัญญาก็าจะตามมาวิมุติหลุดพ้นก็จะตามมาพระพุทธเจ้านยันว่าสตินี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมธตั้งปวง เปลือเรือนลอยเท้าช้างที่อย่างกับลอยเท้าสัตว์ทั้งปวงอยเท้าช้างนี่ก็รอยเท้าของสัตว์ชนิดหนึ่งสตินี้ก็เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วทําอย่างอื่นก็ประสบขึ้นมาไม่ได้ในสีห้าก็มีวิธีทำให้รักษาสติ ด้วยการไม่เศษสลายเมาการกินการเศษสลายเมานี่มันก็ไม่ได้เป็นเดียงเทียมมันไม่ได้เหมือนกับการฆ่าสัตว์นักแล้วพูดผิดตัวเองหรือพูดปลดมดเท็จแต่มันเป็นการขวางกั้นการเจริญในทางการปฏิบัติการเศษสลายเมาแล้วมันก็ถาสติ ถ้าไปพูดไปทำอะไรก็อาจจะทำบาปทำกรรมได้หีืถ้าไม่ได้ไปพูดไปทำบาปทกากรรมจะไปทำความดีก็ทำไม่ได้จะไปภาวนาก็ภาวนาไม่ได้บริกรรมพุดโธไม่ได้มีแต่จะนอนอย่างเดียวนะสติเป็ น, ปนสัจจที่สำคัญ ในทมต่าง ๆ, ๆนี้จะมีสติอยู่เสมอนักแฝงก็มีสมมาสติคุณีห้าพละห้ามีสติสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสติประธานสีก็พูดเกี่ยวกับเรื่องสติเพราะฉะนั้นพวกเราควรที่จะให้ความสำคัญต่อการเจริญสติ พยายามสร้างให้มีสติขึ้นมาให้ได้ก่อนเมื่อได้สติแล้วสมาธิปัญญาก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาตามลำดับสติปัญญากม็มันเป็นของคู่กันเวลาพูดอะไรสติปัญญามหาสติมหาปัญญามันมีอยู่ที่ตัวสติ็นิดนี้แหละ สติเป็นเหมือนเชือกเรื่องตอนกาจะเป็นเหมือนเชือกกล้วยผูกไว้กับคอสุนัขเราวไปผูกไว้กับเสาไม่นานมันกรต็ตกทีเดียวมันก็ถ่ายเพราะสติมันยังอ่อนไม่มีกําลังช่วกําลังของสุนัขไม่ได้ของของกิเลสของใจไม่ได้ ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆดึงมันเข้ามาไว้เรื่อยๆให้มันอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเรือให้อยู่กับความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากําหนดไว้เช่นคํำบริการพึทโธก็ให้มันอยู่กับคํำบริการพุทโธแนวฝึกเรื่อยๆใหม่ๆมันก็จะหลุดไปทําได้ทั้ สองสามวินาทีสี่ห้าวินาทีมันก็หลุดมันก็ไปพอได้สติแล้วก็เดึงกลับมาใหม่ดึนกลับมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยเป็นเหมือนการชักกระยอะ้อกันตอนต้นเขาจะมีแรงมากกว่าเขาก็จะเดึงไปได้เรื่อยๆต่อไปพอเรามีกําลังมากขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นก็จะเดึงก็จะไม่ไปไม่ไม่ถดเดิงไปได้งา่าย ต่อไปมันจะไม่ไปมันจะอยู่ครับงานที่ให้ทำํำพออยู่กับงานที่ให้ทำไม่นานมันก็สงบได้หรือถ้ามากกว่านั้นมันสามารถหยุดความคิดได้เองเลยไม่ต้องใช้คำอะไรกันก็ได้สามารถหยุดสั่งให้หยุดคิดได้เลยไม่ต้องคิดก็ได้เมื่อมันมีสติข น, นาะ น, นี้แล้วมันก็จะมีสมาธิจิตนั้นก็จะสงบ นิ่งเงย็นสบายมีความสุขและเวลาที่มันออกจากสมาธิหลังคาญก็คิดไปตาอมอำนาจของกิเลสเหมือ น, นเดิมก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ตอไปปัญญาที่จะแก้ก็ต้องใช้ใจลักคิดไปในเรื่องอนิจจงทุกขังนะคราเห็นอะไรก็ แต่าราว่าไม่เพี่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นพิมพ์ดินน้ําลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นดินน้ําลมไฟเราอยู่ในโลกธาตุโลกของธาตุสี่ร่างกายก็เป็นธาตุสี่ปุติก็เป็นธาตุสีต้นไม้ก็เป็นธาตุสี่ไม่มีอะไรไม่ใช่ธาตุสี่มีตัวขึ้นตั้งอยู่ระดับใด เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากมเมล็ด ก, ก็เป็นต้นจากต้นเล็กก็ขึ้นไปเป็นต้นใหญ่จากต้นใหญ่ก็แก่ลงก็าตายลงมาล้มตายลงมาตายเป็นดินไปสร้างกายก็เช่นเดียวกันมันมันไหลไปมันจะเหมือนกระแสะ น, น้ำไหลมาจากภูกเขาไหลลงมาเรื่อยๆตาม ห้วยตามลำธานตามแม่น้ำลงไปสู่ทะเลหม า, หาสม้มทุกสิ่งที่อย่างก็กมีเกิดแต่เจิตตายไม่มีอะไรจป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจิตผู้รู้ธาตุรู้นี้เป็นเพียงผที่มามาครอบครองมาเะ็นเของชั่วกราวแต่มาด้วยมากับความหลงมากับอวิชชาสัตยาสังขารา วิชาก็เป็นปัจจัยให้สังขารจูงแต่งว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เกิดปัญหาความอยากเกิดอุปทานความยึดจิตเกิดภาวะเกิดภพเกิดชาติตามมาต่อไปตัวจากภพนี้ก็ไปต่อภพหนึ่งเพราะว่าจิตเป็นอกุจลาทำมา อวิชชาปัญญาทั้งข า, างนี่แหละคืออกุศลธรรมะถ้าถ้าเป็นไปรักมันก็จะเป็นกุศลธรรมะ ม, มันจะเห็นความจริงเห็นความจริงมันก็จะตัดปัญหาตัดอุปาทานได้ตัดภพตัดชาติได้ทั้งหมดนี้ก็อยู่อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเรา แล้วตัวที่จะทำให้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวสติสติจะดึงใจให้กลับเข้ามาดูภายในถ้าไม่มีสติมันก็จะถูกอวิชชาปัญญาสังขารผลักให้ไปดูภายนอกไปดูรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะแล้วก็เกิดเวทนาความสุขความทุกข์กับสิ่งที่ได้สัมผัสแล้วก็เกิดอุปทานเกิดตัณหาขึ้นมา เกิดความทุกข์ขึ้นมาทวันนี้เราก็อยู่กับพวกพวกนี้เท่า น, นั้นเองอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส佛陀ในรูปแบบต่างๆมีใจเสยียใจกับรูปสเสียงกลิ่นรส佛陀มีใจเสียใจกับทาสี่ดินน้ำลงไปเราต้องสอนใจเราต้องปฏิบัติ ต้องศึกษาเมื่อได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนะรู้แล้วว่าต้องทนะําอะไรก็พยายามทําให้มากพยายามจับภากรากิจอย่างอื่นออกไปทําเท่าที่จําเป็นภารกิจอย่างอื่นนี่ต้องเป็นภารกิจที่สนับสนุนการปฏิบัติอย่าไปเสียเวลาหมดเวลากัาบการไปสนุกสนานากับพวกเรื่องเสียงเก่งมากุศลนะครับ มันก็ได้ทำให้จิตใจเจริญขึ้นฉลาดขึ้นมีความสุขมากขึ้นแต่มันทำให้จิตใจหลงมากขึ้นชุกมากขึ้นดังนั้นทำงนานต่างารถ้าต้องทำก็ทำไปเพื่อจะได้มีปัจจัยสี่มาสำรับการปูเจืออัตภาพร่างกาย ดีพอแล้วก็ดิ้นเวลาว่างจากการทำงานก็อย่าไปไปหารูปเสียงกลิ่นรสโตกโภภับาให้เข้าหาธรรมะให้เจริญสติและแต่ในขณะที่ทำงานทำการทำหาักเกิฑก็สามารถเจริญสติได้ให้ดึงใจให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำาให้ให้อยู่กับ การเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังพูดก็ให้อยู่กับการพูดกําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังเดินกำลังอาบน้ำกำลังไปฝันกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับทางานที่เรากำลังทําไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทํำอยู่เรากําลังรับประทานอาหารเรากําลังเคี้ยวเรากําลังครี๊ ใ ห, ให้อยู่ ừ. เรื่องอื่นถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดเรื่องการทําอย่างอื่นเพ่ต่อหยุด ều, หยุดเชี่ยวหยุดรับประทานแล้วก็นั่งคิดให้พอมีความจาเป็นยจะต้องคิดเรื่องอะไรก็คิดต่ำเมื่อคิดเสเร็จยได้แล้วก็หยุดคิดเก็บเอาเข้าลิ้นชักแล้วก็มาคิดอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทํำ ถ้าทําอย่างนี้ต่อไปก็จะมีสติมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอมีสติแล้วพอให้จิตคิดแต่คําว่าพุโทโธให้บริกรรมแต่คําว่าพุโทโธมันก็จะสมดุได้ให้ส่วนเงินมันก็สมดได้ให้ดูลมหายใจต่ อ, อมันก็สมดได้เนี่ยกรรมฐานสี่สิบนี่มันเป็นเป็นเป็นสาวไว้ผูกจิตแต่ต้องมีเชื่อก ที่ปลูกระหว่างจิตกับเสาวนี่ก็คือจิตยงไงกรรมฐานสี่สิบนี่มันยังได้อย่างหนึ่งก็ได้ชนิดไหนก็ได้ที่เราชอบเป็นเหมือนอาหารที่เรารับประทานเราชอบรับประทานอาหารแบบไหนเราก็รับประทานแบบนันผลก็คือความอิ่มมันก็จะตามมากรรมฐานสี่สิบนี่เราก็เลือกได้จะ อนาปัสติลมชายเข้าออกก็ได้รอยรมพุทธโธ ท, ที่เรยกว่าพุทธานุสติก็ได้พิจารณาร่างกายกายกตาสติก็ได้ก็ตัวสําคัญก็คือตัวสติถ้ามีสติแล้วจิตก็จะไปไหนไม่ได้จิตก็ต้องอยู่กับกรรมฐ า, านได้กรรมฐ า, านหนึ่งถ้าอยื่อย่างต่อเนื่องไม่นานมันก็จะสงบ สบายสงบมากสงบน้อยก็มันก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติเรื่องตอนนี้ถ้าจิตนี้ไม่สงบมันจะสับสนมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอสงบแล้วมันจะเริ่มเห็นภาพแล้วมาออกความสุดที่แก้จิงมันอยู่ตรงไหนเมื่อรู้แล้วต่อไปมันก็จะ พยายามสร้างความสุขนี้รักษาความสุขนี้ให้มีมากขึ้นไปให้มีอย่างต่อเนื่องจนมีอยู่ตลอดเวลาล้วสงบในสมาธิมันก็สงบได้ชั่วยระยะเวลานพอพอหลังจากนั้นมันก็จะถอนออกมาถ้าเริ่มคิดปรุงแต่งกิเลสก็ออก มาทํางานต่อได้พอสมาธินี้ไม่ได้ไปตัดกิเลสให้ขาดให้ตายเพองแต่ไปกดเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าพอออกจากสมาธิก็เหมือนยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็จะเลยงอกงามต่อไปได้กิเลสก็ยังทํางานต่อไปได้กิเลสจะตายได้ก็ต้องถอนลากถอนโคนของมันลากโคนข อ, ของกิเลสก็คือโมหะความหลง โลกกรหลงความหลงนี้ทําให้โลกทําให้เกรธความหลงก็คืเห็นผิดเป็นชอบไม่เห็นใจรักเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นโลกเสียงเกล็ดน้อรโผว่าเป็นสุขแต่ความจริงมันเป็นทุกข์มันเป็นตายรักอนี้ยังทุกขังอัตตาทุกอย่างมันเป็นอริยังทุกขังอนัตตาแต่ความหลงจะไปเห็นว่าเป็นนิจังสุขขังอัตตา มร่างกายเป็นตัวเป็นตนมันร่างกายเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราดูแลรักษามันอย่างเต็มที่เพราว่ามันต้องอยู่ไปนานๆแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่กิเลสเห็นเพราะมันเป็นความห ม, มันต้องใช้ปัญญาเข้ามาวิเคราะห์พิจารณาเรื่อยๆ ว่ขาขณะที่เราไม่วิเคราะห์พิจารณาด้วยปัญญามันก็จะไปทางกิเลสจริงมันเป็นมันติดอยู่ถังลึกเป็นนิสัยเป็นเป็นเหมือนกับสีย้อมที่มันติดอยู่ในผ้าต้องคอยเอาน้ายามาซักฟอกให้มันออกไปให้ได้เอาปัญญาก็ามาซักฟอกอาสวะ อาสะวะที่ดีในจิตอาสะวะนี่เป็นเหมือนกับสีย้อมที่มันอยู่ในน้าที่ใสสะอาดก็ต้องเอาปัญญาเข้ามารองมันออกไปต้องทำอยู่เรื่อยๆต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆทุกขณะที่กาลังคิดเรื่องอะไรก็ตามต้องมีไตรลักษณ์เข้ามาประกอบอยู่เรื่อยๆ จะหยุดใจรักหน้าจะหยุดพิจารณาได้ก็ตอนที่เข้า ส, ม, สมาธิเข้าไปพักจิตเองก็ไม่มีทางที่จะพิจารณาได้ตลอดเวลาทํา ง, งานก็ทํา ง, งานคนเราทํา ง, งานก็ทํา ง, งานไม่ได้ตลอดยี่สิบชั่วโมงทางําล้วก็ต้องมีหยุดพักผ่อนรับประทานอาหารจิตก็เช่นเดียวกันเพื่อพิจารณาเป็นานานนันก็เกิดความล้าขึ้นมา mm hmm. เกิดความเหนื่อยขึ้นมา พิจาราแล้วไม่เฉียบไม่แหลมคมไม่เห็นชัดแล้วก็มีอารมณ์ท่้ามาแทกอารมณ์ของจิ่เข้มามะแทกตอนนั้นก็ควรจะหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าสูรร่สมาธิท่าจิตให้สบ า, สบายพอจิตถ้นตัวออกมาแล้วตอนนั้นก็มีการสดชื่นมีกําลังไม่มีอารมณ์จิตว่างปราศจากอารมณ์ ก็าสามารถพิจารณาต่อได้ไปพิจารณาเรื่องอะไรอยู่ยังพิจารณาไม่เสร็จก็พิจารณาต่อไปพิจารณาตอนกระั่งมันติตเป็นนิสัยเลยมองอะไรคิดอะไรก็จะมองว่าเป็นตายละเป็นบินน้ำลมไปทนี้ก็ไปเข้าสนามสอบดูไปทดสอบดูไปดูคนตายดู คนตายคนอื่นตายไม่เป็นไรดูคนของเราตายดูว่าว่าเป็นยังไงดูคนของเราเจ็บไายได้ปวนรว่าเป็นยังไงจิตวุ่นวายสับโขนอลหมานหรือเปล่าแล้วจิตดูแล้วก็โปร่งสังเวชเป็นธรรมดาต่อไปเราก็ต้องเป็นไม่ใช่แต่เฉพาะเขาต่อไปเราก็เป็น ห้องสอบมันก็มีหลายห้องห้องของคนอื่นก็ห้องต่อไปก็ห้องของเราเป็นความจริงที่มันจะต้องปรากฏขึ้นมาตามม า, มาถ้าไปได้ถา้าห้องสอบแล้วผ่านก็ทีนี้ก็สบายดูแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เวลาได้ก็ไม่เป็นปัญหาอต่อไปไม่ทุกข์แสบาย หลังจากนั้นก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรรู้ว่าผ่านแน้แน่งานก็เสร็จสึ้นได้งานในงานภาวนานี้มีที่สิ้นสุดวุชิังธรรมจารียัยงติดในธรรมจันทร์ได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อได้เข้าห้องสอบจนสอบผ่านแล้ว หล่วยวายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหล า, ายหลัหงางนั้นก็สบายไม่ต้องทำอะไรถ้าจะทาก็ทำให้กับคนอื่นต่อไปกับตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะแค่ต้องสอนคนอื่นต่อให้คนอื่นเขาได้ไปไปไปสอนเพื่อเขาจะได้หลุดพ้น รางวัลที่ได้มันดีกว่ารางวัลที่ใครจะให้เราราดด้วยสรรเสนสุดมันไม่มีความหมายเมื่อเปรียบกับรางวัลที่เราได้พลลังสุสอย่างพลลังสุขขันคําว่าพัลํางคนั้นก็สุดยอดเลยพลลังสุดที่ไม่มีความทุกข์เกียบตันอยู่ความสุดที่ถ้าวอนเกิดจากจิตที่ มีความว่างปรสศจากโลกกฎ น, นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเริ่มต้นที่สติมีสติไม่ว่าทำอะไรก็ให้มีสติทำยินให้ใารก็มีสติรักษาศีลด้วยสติภาวนาด้วยสติหลุดพ้นด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญา แกนี้ะถามอะไรก็ถ า, าถามเลาานอาจารย์ิบนสั้นในะแต่เวลาปฏิบัติทีโอติหลายปีสิบปีสิบ ป, ปีแลหลาย้ยยาวมากไม่เรา อ, <c oughs> อยู่ที่ปฏิบัติมากปฏิบัติร้อยถ้าปฏิบัติันลาสิบนาทีมันก็ก็ต้องการาจากยสูกสีเส็ปุ๊บก<อ>ารสั่นโอ้แต่เวลาเราทำนี่้ห์นานมากถ้าถ้าปฏิบัติ ทุกนทีเวลานาทีมัแลงใช่ไหระาถามที่เขาเอากาตูทีวชไปนี่เนี่แต่ว่าต้องต้องเป็นท่านอาจารย์ทีบายแต่าบอกว่าในมีตอนที่อ่าผมรูกจะเมีคนถามถ้าใบุตรใไเนีคะแล้วก็บอกว่าพระบิดาท่านบอกว่าทุกเคื่อนั้นที่เกิดและทุกเนั้นที่ดับไป อย่นี้แอลกอฮอลก็ไม่ใช่ทุกเรียงดับหรือทำไมดับเฉพาะทุกแน่ลอกเวลาพิจารณาใจรักเนี่ยท่านท่านท่านก็เน้นไปตรงที่ตัวทุกในโลกนี้ที่มันตัวเป็นตัวการตัวปัญหาก็คือตัวทุกนีงแล้วมันก็มีแต่ทุกเท่านให้เ่ิด ข, ขึ้แล้วทุกเท่านั้นที่ดับไป มีทางนั้นเอรูกบ่าเขามีชีวิตมันก็เต็มด้วยความทุกข์นั้นทุกอย่างก็มันตายรักเหนี่ยมองอะไรก็ถ้ามองเห็นตายรักมันเห็นแต่ความทุกข์อย่างมันมันทุกข์เกิดขึ้นจากที่เราไปยุ่งกับมันตัางหากมีความจริงเขาไม่ได้เป็นทุกข์หรอเขาเป็นเพียงานิจังเขาเป็นเทงนานัตตาต้นไม้ใบหญ้าร่างกายนี่เขาเป็นอนิจังเขาไม่เที่งเขาไม่ใช่ตัวตนเขาเป็นธาตุสี่เป็นยามีความ แต่ใจเนี่ยมันไปทุกกับมัน ท, ทุกข์เพราะความหลงเพราะยึดติดเพราะความอยากมันก็อะไรกิดความทุกข์อยูน่นั้นก็พอพูดสรุป ก, ก็คือมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วมีแต่ทุกข์ที่ดับไปในจิตเราเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นวิธีเท่านั้นแหละยาทาที<ม>่บอกประมาณสี<ม>่ส<ม>ิบยาทาอะไรนี้นะคะ ไฟังคน mm hmm. ที่พูดคนนึงาบอกว่าใช้ยุธีแบบมันกับพี่นาว่าทงานความดีในขอ ง, ง, ข, องของพ่อแม่อะไรเงี้ยคือแทนที่จะใช้ทุกโถตรงหายใจอย่างเงี้ยเราก็งาลง่ายง่ายก็พี่นาว่าพ่อแม่เราทำให้เราดีๆอะไรเงี้ย mm hmm. เราคิดไปพี่นาไปเองะไเงี mm ้ hmm. อันนี้จะถือว่าเป็นในสี่สิบันท่าทใช่่ความคิด mm hmm. okay. มันก็มันก็ใชยแต่หน่อมาจาก ถ้าคุณถ้าคุณก็เอาพ่อแม่มาเป็นคุณของพ่อของแม่งแต่ว่ามันอา จ, จะไปเกิดทีเลทความผูกพันกับพ่อกับแม่ก่อนแต่ก็ไม่เสียหายก็แช้ได้แต่แต่าเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะบริกรรมว่าแม่แม่ก็ได้พ่อพ่อก็ได้พ่อไปเรื่อยๆพ่อทําอะไรก็ได้ ลูกก็ได้คุยกับเขาคคือเขารว่าเของเข้าแปรคือเขาคิดว่ากรรมไม่แก้ได้อต่ลกไม่คิดว่ากรรมไม่แก้ได้แต่จริงรคว่ามันไอ้จางลงกรรมที่ทําไปแล้วมันก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด่าใครไปแล้วเนี่ยจะไปขอนคืนมาเหมือนในสภาไม่ได้เนี่มันมันหลอกกันมันหลอกด่ากันแล้วก็ไปขอถอยเง น, นคืนเย่าง มันไม่เกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันฝังอยู่ในความรู้สึกในึกคิดของคนแล้วเขาก็ต้องเกิดปฏิกิริยากับเราแล้วเขาก็ต้องเกิดเกลียดเราขึ้นมาเขามีโอกาสเขาก็ด่าแล้วขับเราเนะีนั่นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเราไปไปลกมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราเราเราเรากันได้ก็คือกรรมใหม่อันนี้เรากันได้ เราอยากไปทําเลยพี่เขาเขาหมายตอนตสาวบ้างคงแต่ว่าพ่อแม่ไว้เยอะว่าคุณแม่ไว้เยอะอะไรเงี้ยค่ะพลทีนี้เสร็จแล้วก็าก็แทนรู้สึกเขาก็บอกว่าให้ให้คุณแม่โอ้โกจิตใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะเบาบางลงมันไม่ได้กาวบางเป็นเสื้อจริงว่าเป็นแค่ให้กำลังใจเฉยๆมันก็เป็ น, นการคิดที่ดีอะคือคุณพ่อคุณแม่ให้กำเนิดพ่อคุณกำลังมาก ถ้าเราเราได้กเก็บเมตุผลของท่านได้ก็ดีทำให้เรามีความปัจจัยปัจจัยีขึ้นมาไม่เสียหายชิ้นแล้วมันก็ทำให้ใจสบายขึ้นใจสงบลงแต่ จ, จะสงบเหมือนกับการบริกรรมทุกโถนี้หรือไม่นี้ไม่เคยทนรองเลยไมไย่แต่หลักของการทำสมาธินี่ นอกจากกรรมฐานา ส, สี่สิบนี้แล้วก็อย่างอื่นก็ได้ขอศาสนาอื่นหรัอลัทธิอื่นเขาก็ใช้คำอื่นเขาใช้โอนี้ก็ได้สัมมา阿าหังอะไรของเขเมื่อมันก็เป็นเพียงสังขารความคิดปรุงอันหนึ่งที่ไม่ไม่ไปทำให้จิตก็เพื่อไม่ให้จิตมันปรุงแต่งไปในทางที่เลว แค่มันอยู่เป็นการอย่างนี้มันก็สับงตัวมหน้คือของเขานี่ค่ะเป็นเด็กนุ่งเปนฝันลูกคิดว่าไม่ใช่คิโก้ให้เหมือนเราเนี่ยมาไม่ธรรมดาหลักของท่านว่าฝันก็จะให้ขอที่คูณสมาทิ่ห้ตั้งม่น่ะนเขาเขาเขาคิดว่าอนุ้าเป็นปัญญาอุปนิสัยที่คอให้คิดใจในทางดีตลอดนี่ลูกโว้เอ๊ะถ้าคุณนั่งไปฟุ้งซ่านได้ ไม่ได้มีสมาธิอยู่แค่คือเขาคิดว่าอันนั้นเพราะวคือท่านการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยให้คิดคิดติดตลอดเวลาทีน่ น, นั้นไม่ได้มีสมาธิอยู่เลยนะค่เพีอันนั้นลูกว่าไม่ใช่ปัญญาของสมาธิไม่ทราบใจหรือไม่ใช่ถ้าคิดในทางายรักนห่ือนกันได้มันก็ใชแ่แต่ของเขาไม่ใช่ใจรักค่ะคิดในทางายรักมันก็ใช่แต่มันจะเป็นสมาธิหรือไม่นั่นน่น มันก็นอยู่ที่ว่ามีสติที่จะควบคุมให้คิดอยู่ในเร่อารักกันรัคิดเกินถึงถึงแก่กันหรือไม่เป็นองพุ่งสร้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสามีจะจากไปไปมีแฟนใหม่แนีวเราคิดว่าในที่สุดก็ต้องจากกันและขณะนี้ใครกำลังทุงกข์เรากำลังทุกข์ใช่ไหม ทุกข์พ่ออะไรพ่อเราไปห่วงไปยึดไป ต, ติดเขาพอเป็นของเราใช่ไหมแล้วความจริงเขาเป็นของเราหรือไ ม, ไม่ถ้าพิาจารณาเจอเห็นเห็นชัดว่าอ๋อมันไม่ใช่เป็นของเราแล้วถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยเขาไปพอเรายอมรับความจริงนี้แล้วเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ตัดใจระวังความทุกข์กับเขาเขานี่ยจะเอาอะไรกันแน่ ือถ้าเอาเขาก็ต้องทุกถ้ายังอยากจะให้เขาอยู่กับเราก็ต้องทุกเพราะเขาจะไม่อยู่กับเราเขาะจะต้องไปแน่ๆ แ, แต่ถ้ายอมไม่เขาไปปล่อยเขาไปล้วก็ไม่ทุกเรายอมรับความจริงว่าเขาไม่ใช่ของเราเพราะเป็นสมบัติชั่วคราว่างนี้มันก็จะหายทุกอย่างนี้แหละเ็าเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ คนเราบางทีทุกข์เหลือเกินอย่างที่บรนกานเล่านิทานเรื่องในสมัยพุทธกาลแม่คนหนึ่งมีลูกขอบข้อลูกออกมาได้ไม่ไม่นานลูกก็ตายไปเป็นทารกี่ก็ทุกข์อยากจะให้ลูกฟื้นขึ้นมาแต่บ้าจักรืนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมอะไรนั่งน้องกอดลูก ร้ห okay so ่มร้องไห้ทั้ง so วันก็ค <that> ืนเพื่องบ้านสงสารไปเลยแนะให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยทําให้ลุกืนได้ก็ดีใจเป็นความหวังนี่ลูกไปหาพระพุทธเจ้ากระเจ้าพระเจ้าท่านก็เมตตาที่บ่าต้องการอะไรเขอยากจะให้ได้เขาว่าท่านจะช่วยให้ทําให้ลูกยืนได้อ๋อได้ง่ายนิดเดียว แม่แต่เอางามาทักทำเลยแต่งาที่เอามานี่ต้องมาจากบ้านที่ไม่มีคนตายเนะี่ยมีพ่อแม่ไม่มีญาติไม่มีเครื่อนสูงแค่มีพี่น้องตายแต่ก็ดีใจว่าเอาได้ยี่ไปคือครอบคบ้านแต่ละบ้านก็มีงานทุกบ้านแต่ทุกบ้านก็มีคนตายทุกบ้านปวดใจเหนือ่อยใจเรื่องว่า เห็นสัจธรรมพาราจิงขึ้นมาว่าความตายนีเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนังเห็นแล้วตัวเองกําลังเทุกอยู่เพราะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนิตจางพอเห็นนิจจังก็ออกความตายเป็นธรรมดาแล้วตายแล้วก็กลับมาไม่ได้ก็ยอมรับความจริงอย่างู่ใจก็หายทุกใจก็เอายู่ไปถา้ไปถา ต, ต่อไป เนี่ยปัญญาอบรมสมาธิพระพุทธเจ้าสอนปัญญาอบรมามาธิอย่างอย่างแบบอะไรแบบเป็นอุบายเลยไม่ต้องใช้คําพูดให้เสียเวลาให้เขาไปเห็นกับตาเขาเองเพื่อพระพุทธเจ้าทัานเจ๋งอย่างนี้ท่านไม่พูดมากแต่หลอกเป็นอุบายให้ไปปฏิบัติเลยให้กขาไปเข้าห้องสอบเลย ปัญญาอุดมสบายคืออะไรค่ะกับปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราสงบแล้วสมาธิแล้วพิจารณาที่มันเกิดปัญญาตามนั้นมันยังเกี่ยวกับการทําการบ้านเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นร่างกายของเราเป็นการฝึออกฝนเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจรับ ก, กับเหตุการณ์พอเราลุ้มไม่ที รับกับเหตุการณ์นั้นล้ววิธีรักษาใจด้วยปัญญานะเราก็ไปเข้าห้องสอนอยู่เรากลัวอะไรแล้วก็ไปที่นั่นกลัวผีก็ไปป่าช้ากลัวตายก็ไปเข้าไปในป่าไปอยู่ ใ, ใกล้สถานที่ที่มันน่ากลัวหรือที่จะหน้ามือภัยที่เห็นแก่ชีวิตได้ก็ไปอย่ ไปแล้วก็ไม่ได้ไปรักษาร่างกายไปรักษาจใจด้วยปัญญารักษาใจไม่ให้คิดเพราะเมื่อมันอยู่ในที่กลัวนี่ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นแล้วอวิชชาปัญญาสังขารามันจะออกมาแล้วว่าเราจะตายแล้วเหี้เสือมากัดกินเลือมดนนีกัดนกสอดไรสัตว์กัดตายเพราะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาครับที่เราเคยวิเคราะห์ตอนที่เรายังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่ เราจะทำงานได้หรเปล่าตอนที่ปลอดภัยก็เก่งอ่ะทีนี้เหมือนกับเรานักชก ม, มวยนะตอนตน้นก็ซ้อมกับคู่ซ้อมชกกับระสอบทรายทีนี้ต้องไปขึ้นเวทีจริงแล้วดูสิว่าจะจ ะ, จะผ่านไหยจะชนะไหมถ้าไม่ชนะก็แสดงว่ายัางไม่เร็วไม่ทันกิเลสเพาวิชาปัจจสังขารามันเร็วกว่าไปรลักปัจจัสังขารมันมันช้ากว่า แล้วฤทธธรรมปัจิยาสังขารมันช้ากว่าก็ต้องกลับมาฝึกใหม่พิจารณาให้มากขึ้นให้มันต่อเนื่องจนเร็วกว่าทีเลสนะก็ไปในภาษาถ้าเป็นทฤษฎีขั้นหนึ่งถ้ามันผ่านไปได้ขั้นหนึ่งมันก็ผ่านไปตลอดก็พิจารณ า, ข า, ขาแล้วพิจารณาเข้าขั้นแล้วเราก็รู้ว่าต้องพิจารณาเขา้าเสมอ ลูกกำลังสงสัยสมมุติว่าอย่างถ้าเราไปเราในท่าไม่ถึงเราเปิดชิลแล้วเราก็เราก็เป็นคนที่กลัวแต่ในชีวิตท่านที่เราไปอยู่ในภาวะต่างเลแต่สมมุติว่าไปอยู่ในถ้ำคืนเออเท็จติดอ่ะมันชบพิจารณาลง แ, แล้วก็ไม่กลัวไม่มีอะไรเนี้ยทีนี้มันก็ยังไม่รู้ว่ามันใช่ของที่ว่าจะถึงที่สุด ข, ของ้ตัวจริงๆมันหรื<ม>อเปล่าถ้าเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไปแบบ นัอยู่นาหน้าคาแล้วถ้าขาดสติมันก็หล่นลงไปยนะยเยคือถ้ามันเจ้าหน้าท่ผ่านแต่เรื่องน้นอาจารย์หรือว่ามันก็มั น, ม, นมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆอย่งเงยมือกี้<ม>่เร<ม>่งเี่ยเขาเล่าลูกฟังว่าที่ลกมาที่ตลาดนี้แล้วก็ทุกแกหล่นลงนหลังที่ <c oughs> ท่นานตะจ้าอาาสแอันนั้นก็กลัวพราว่าท่านอาจารย์เคยสั่งว่าอย่า่ปเอาออนออกอก็ไม่เอาอ อ, อ, อกเสร็จแล้วต่อไป แต่คือเนั้นอีกก็กลัวอีกคืาบอกว่าทุกกาอยู่ในทุติยตั้งนี่ตั้งตัวก็กลัวอีกก็บอกว่าเอะมันก็ทำไมพอเมื่อไงจะข่มใจด้วยสมาธิอ๋อดังนั้นคือการข่มใจด้วยสมาธิคือทาใจให้เงียบเฉยถ้าจะข่มใจด้วยปัญญาก็ต้องอ่ะจะเป็นอะไรก็เป็นร่างกายจะตายก็ตายเมือนอากัดกินจะเป็นอะไรกับร่างกายก็ให้มันเป็นไปไมต้องปล่อยว่าต้องปล่อยร่างกายแล้วนะ เป็นอย่ี้ใช่ไหคถ้าเข้าใจแล้วมันเป็นการปล่อยวางเลยแต่ว่าถ้าผมเนี่มาที่จิตใผมก็จะมมขนาดนั้นตอนนั้นเรามีสติมันก็ขผมได้แล้วถ้าไปเจอมากกว่าหนึ่งตัวนี่มันก็จะขมไม่ไหวใช่ระกตอนเั้นคนกลัวผีมากแล้วตอนนี้ก็คิดว่าเองกล้าขึ่นตอนมีวิธีทดสอบเองในการพยายามเป็นรถแท้งศพคนอืก ก็รู้สึกว่าฝนมันก็ดีขึ้กลับมาแล้วแต่ก่อนผ้ามันจะติดเวลาเห็นศพจะมีกลับมาแล้วก็เฉยๆไม่กลัวอะไรเลยอแล้วก็อยู่คนเดียวได้คนเดียวสี่ห้าปีติดไฟได้นอนหลับติดไฟได้ไม่ต้องปลดไฟทิ้งไว้รู้สึกว่ามันแข็งแข็งเรื่องอย่างน้ถือว่ามีมีความก้าวหน้าความมันก็้าวน้าไม่กลัวความกลัวนี่มันเป็นกิเลสอันนี้เลยพอมีงานศพก็ทะยยาม ไปถ้าพารถนำสดกจะดูท่านต่อไปครับไปดูการพาสดก็ไปยังไปศรีมาไปดูดูแล้วก็คงสังเวชร่างเขาร่างเราก็อันเดียวกันต่อไปร่างของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นที่หน่อยท่านอาจารย์บอกว่าเขา้อยู่ป่าชาไม่ไม่ได้บอกแล้วแต่เราถ้าเราเราก็ไม่เคยไปอยู่ป่าช้าเคยไปนั่งอยู่ไหน แต่ก็ไม่ได้ไป อ, องเดียวไปสามอางแต่ไปยากนั่งกันอยู่กับลบุญก็ได้ตไปภาวนาอยู่ครึ่งชั่วโมงครั้งชั่วโมงก็ไม่นมืออเขาจะลัดเราก็ตัดที่บ้านศาเนี่ยเขาตัดใที่บ้านาตก็มีป่นในในในปชาช้าเผาศกก็ไม่มีเมนก็มีป่าช้าแล้วก็จะเาศกไปเผาเขาจะตัดต้นให้กองเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเมนขึ้นมาเป็นกองอ แล้วก็เอาศกตั้งอยู่ข้างบนกองไม้พา้าจะไปสวดเทวราและให้สด็จแ่ดอกไม้จันทร์ไม่เสดเขาก็จุดไฟถ่ายแล้วเาก็จ ม, มีคือท่อนไม้สองท่อนประกอบคราบไม้กับมันลงสบก็ลงสพไม่มีสาล้วลงสบเป็นลงศพแบบไม้แล้วปักกระดาษบางส่วนเขาทำแบนี้หนึ่เแล้วไปสอง มันก็จะงอตัวถ้าเราได้ต้อเอาไอ้ไม้นั่นมาถ้าได้ถ้าเอาไม้นั่นมาจบเลยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่แล้ะถ้าไม่ได้อยู่แล้ะพอพอจุดไฟเสร็จแล้วก็พระพานทิมนให้ไปสวดที่บ้านต่อที่บ้านต่อแต่ตอนถ้ำเนี่ยตอนถ้ำเนี่ยมันยังไม่ไม่หมดดีกพระเขาก็ชวนไปดูถ้าอยากจะไปป่าชาก็ไปถ้าอยากฉันไปเดยเนจะไปสองสามอง เดินมีสายๆเดินไปเนี่ยไปเพ่งพอไปถึงประชาระคุณอยู่างนูน้นแล้วก็นั่งคนละงือนั่งหอย น, นะถ้าดูใจว่าเป็นไงดูใจใจกลัวไม่กลัวกลัวก็ใช้ปัญญาแก้ไม่ใช้สมาธิแคร์อยู่ที่ภูมิของแต่ละคนว่ามีนนอะไรช้าก็มีเท่า น, นั้น ลูมีคืถอนได้หยนะคะก็เลยมาสองครั้งครั้งที่แวคือแ่เนี่ยอาจารบอกว่าให้เรานั่งพอสสงบแล้วถึงพจารานะคะพอที่แลู้กบเอ๊ะถ้าเราไม่สงบก็คือเราก็ไม่ได้พิจาราสักที่หะลกกลับมาก็นั่งคิดไปเลาูนะคะที่ไม่ได้ไม่สงบแล้วไม่ได้พิจาก็คือคิดไปคิดมาก็บื้มันก็ มันก็ว่างมันก็แวบเนกับสมองไม่มีไม่มีหัวสมองไม่มีจิดว่างเลยนเอ๊ี่สมองตัวป่าถ้าพักมานั่งเอไอ้บอลมาสุกเพี่ยมันเป็นยังไงมันใช่หรือเปล่าเ่าไอ้บมาสุกมันไม่เห็นมันจะสุกเลยมันแค่ว่างเฉยเฉยไอส้สมองพวกนี้มันบ้าจะแบบโอ้ยมันถูกแบตเตอรี่หรือว่าูกอะไรดิแต่นี่ันแค่ว่างเหมือนไม่มีสมองแบบจิตว่างมันไม่เห็นมันสุกแบบที่ว่ายังไม่ใช่นะแ่เพงจ็บมันพักพักเบา แต่มันไม่เกี่ยวกับสุขมันไม่รวมลงถึงฐานของมัอทีนี้ถ้าสุขจริงๆมันจะต้องแบบต้อมันเปลี่ยนเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเร็วแล้วก็รูปลงไปมิ่งเยังสบายมันจะสบายมันต้องอกโลงใจเบาอกเบาใจเขาเทศเตียงที่ลูกปฏิบายนยังไม่ใช่มันที่ว่างมันอะไรไม่ใช่ที่ให้พิจารณา หลังจากสงบเพมันจะได้ผลเป็นจริงๆเองใช่ถ้าถ้าพิจารณาโดยที่ไม่สงบเนี่ยมันจะพิจารณาไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ใช่ะเพราะว<ช>่ากิเลสมันจะมาคอยลบกวนอยู่เลยพิจารณาได้ไม่นานเดียวมันก็มาเสียงมันที่มันมามาคาแต่ถ้าเวลาจิตสงบแล้วออกมาจากสวามสงบตอนนั้นกิเลสมันยังงงงเยีย์อยู่ยังไม่มีแรงเพราะนั้นจิตก็จะ แต่นจิบที่มีเห็นมีผลไม่มีอารมณ์พิจารณาความตายก็จะย อ, อ, อ, ยอมรับวาตายจริงๆใือคล่ายอย่างนั้นนะท่านอสมตมติโดยเวลาเราปฏิบัติมันพามันลงถึงขานได้พอเราหยิบขึ้นมาพิจารณาบางขณะมันเรายัางอยู่ในทางโลกอ่ะเวลาเรามไม่พอมันเหมือนแบบมันมันจะต้องดูถึงขนาดไหนใช้เวลาสัก คื อ, อเวลาเราขึ้นไปเวทีชบมวยเนี่ยเราจะชบดีเราจะเราจะต้องเราต้องชอบทุกเ ว, เวลาเนี่ยตลอดเวลาเพราะพู่ต่อสู้เขาชคเราตลอดเวลาก็แพ้อินเลยเขาทางานตลอดเวลาแล้วเราจะพิจารณาม่างน้อยเพียงไรนะ งั้นถ้าจะเป็นมวยสมัครเล่นก็อย่าไปหวังชิงเหรียญทองปิ้งเลยไ่ไม่้ม่แยแย่ลไกลเลยทั้งนั้นมันต้องบวชนี่ต้องต้องต้องปฏิบัติล้วนๆเนี่ย เราถึงตอนลาออกจากงานเนี่ยเราพิจารณาด้วยไม่รู้ว่าอะไรมันบอกว่ามันมันไม่พออการเงินรวมก็ยากมากเลยเชนในกาจะว่ายากก็ยากจะว่าง่าย ก, ก็ง่ายมันอยู่ที่คนอยู่ที่บารมีที่ได้บำเพนมาเทคนิคเหรอคะอยู่ที่สติเนี่ยถ้าได้บำเพ็ญสติม า, มากมันก็ง่ายพอจับพักมันก็ไปคุณแม่แก้วหน้านาทีก็ไป พอมันเห็นผลตั๊บมันรู้เลยนี่คืองานของเรางานยงอย่างอื่นไม่ใช่ละมีอะไรก็หาวิธีตัดมันให้ได้เพืจะได้มาทำงานนี้นี่ยเป็นที่ัแต่เราเริ่มปฏิบัติเนี่ยรู้สึกเราตอนนั้นทำงานยังยังทำงานอยู่ก็ก็เลยทำต่อยสองเดือนหลังจากที่ลอ ง, ง, งนั่งครั้งแรก แล้วพอจะได้เห็นผลบ้างมันก็เลยอกว่าวงานนี้ไม่ใช่แล้วละงานนี้ต่างหกงากก็เลยก็เลยด่ย แ, ดดยแต่ก็่านอ<ม>ยากรวมตั้งแต่ขา่าวที่แจ้งมุม้มยมาแต่มันก็ไม่ได้รวมใหญ่อะไรนะเพียงแต่ว่ามันเจ็บปวดแล้วเราก็เลยกรรมอนนี้แจงอันนี้แ จ, ง, นน จ, ง, นนจงไปทักทักเดี๋ยวมันก็หายไปเลยกนรแจงก็หายไปความทุกข์สั่นความกระสับกระส่ายความกลัวความเจ็บอะไรเนี่มันก็หายไป มันเป็นความสุดแบบที่อธิบายไม่ถูกยมันก็เบาใจสุขใจสบายใจเมื่อกี้นั่งแล้วมันเจ็บมันปวดมันเครียดเดี๋ยวนี้มันไม่เครียดมันไม่อะไรมันสบายเหมือนกับไม่เหมือนกับเพิ่งเริ่มนั่งใหม่ๆอย่ันมันก็รู้สึกว่านี่จิตมันเปลี่ยนได้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แล้วนี่คือวิธีที่เราจะสามารถต่อสู้กับความเจ็บปยนได้มันก็เลยทําให้มีกําลังใจ ก็อยากจะปฏิบัติมากเป็นเกิดแขนทาเบิยวยขึ้นมาแล้วรู้เวลาทำ ง, งานนี่เวลาที่มันนั่งผมก็ไม่ได้แต่นี่ก็เพียงแต่เป็นการนั่งลักษณะเองแต่โดยทั่วไปก็จะนั่งแบบอยกรรมตอนนีก็จะสวดจะสวดบทสติปัฏฐานสี่ไปสี่ก็จะรู้สึกเบาเย็นสบายแต่ไม่รว้ แต่มันไม่คิดผู้แต่ไม่ชั่วซ่านหลังจากนั้นก็พิจารณาทําไปกระจายกระจายเราไปมันก็เห็นว่าจิตเมื่อมันอยู่กับธรรมะแล้วมันก็มีความสุดมีความเพลิดเพลินมันไม่ไปคิดกังวลเรื่องจีปาถามเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้เรื่องจะเรื่องคะแน น, นเรื่องทันนี้เรื่องอะสางมันไม่มีเวลาคิดเลยเขามาคิดในทางธรรมมันก็เพลิดเพลินมันก็มีความสุขแบบ มันก็เลยจิตใจแล้วมันก็สลับกันแต่มันน้อยเนี่ยมันน้อยแต่เวลาเผลอนานๆมันก็มีโผล่ขึ้นมามันก็ทําให้หงดเหน็ดข้อต่อยหน่อยเหงาเหมือนกันมันก็มีอยู่บ้างแต่มันมันไม่มากพอที่จะหลอกให้เราไปทํามันได้พอเราได้สติแล้วก็รีบพุทโธแล้วรีบวรอยกรรมควบคุมจิตให้สงบมันก็หายไป เราพิจารณาว่าไปเที่ยวกลับมาแล้วมันก็เหมือนเดิมเสียเวลาเหมือนกับเดินถอยหลังเดินมาถึงตรงนี้แล้วต้องถอยหลังไปอีกสิบเก้าก็เดี๋ยวต้องกลับมาเดินใหม่เสียเวลายอมอดทนดีกว่ายอมไม่ไปกับมันแล้วเดินลุยหน้าต่อไปมันก็เลยทําให้อยากจะปฏิบัตอย่างเต็มที่ก็เลยตัดสิในใจเลาออกจากงานแล้ว ใช้เวลาปีหนึ่งจะปฏิบัติอยู่ที่บ้านนี่แหละปฏิบัติที่ไหนก็ได้ท้ายมันอยู่ที่สงบไม่มีใครมาราบกวนก็มีมีบ้านอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านแต่บางทีก็จะออกกายพาไปท น, นเลไปตามมุมสงบงที่ไม่มีคนเพ่นพ่านแล้ไปนั่งสมาธิหาแบแดดแช่น้ำอ่านหนังสือธรรมะอะไรไป อยู่มาพังส ม, มุนี้ถึงการนั้นยังชินธนาการว่าอยากจะมีเหมือนกับกระต๊อบเล็กๆเนี่ยสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงหน้าชายทะเล <c oughs> ถ้าอยู่ในท่านี้เยอ่เงั้ยถ้าเยาอะได้ก็จะอยู่นไปเรื่อยๆไม่รู้มันอาจจะเป็นของที่ติดมาให้แต่เดิ คน ท, ที่กลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆก็คิดอยากจะจะสร้างกระสอบที่เป็นไม้ไผ่ง <m> ูงังคา <m> ย่า <m> จา่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้ตะเกียงข อ, ข อ, ขอคำถามที่ท่านจะจุดจุดลงข้างข้างหน้าก <m> ็ท่าจะรู้ว่าอันนี้จิดจิดที่รวมแล้วข้างต่อไปที่ ท่านพยายามแบบไหนคะที่จะมันจะให้เกิดถึงการแบบอย่างนี้อีกอส่วนใหญ่ของเรานี่เราจะไปทางปัญญาคือเราไม่ค่อยได้เข้าสมาธิแต่เราจะคอยดูใจของเรามันชอบอยากนน่นอยากนี่เราก็พยายามขัดกับมันฝืนอยากบางทีมันอยากจะไปนน่นอะไรนี่เราก็ไม่ไปกับมันืนจนกระทั่งมันหายอยากของไปตอนที่มันอยากก็ทอนนั่งทุลมทุลายานจิตภาวนาใจ แต่พอมันหยุดับมันก็โล่งก็มันมันก็จะใช้หลักนั้นเป็นเป็นหลักเองต่มันชอบใจเส้นผ่านใจนี่มันนี่เราก็ดูมันไปมันไม่มีเห็นมีผลจะไปมันอยากจะไปของมันแล้วก็ไม่ให้มันไปพอไม่ได้ไปมันก็หมดเหตุจิตมันก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์ทรมานใจแต่เราก็ใช้สติดูมันไปมันไม่ไปหรอยังไงก็ไม่ไปเดี๋ยวพอมันรู้ไปไม่ได้มันก็อยู มันก็หยุดยาตาย่งแล้วก็มันก็ขาดไปเลยมันก็สงบลงไปมันก็จะทําี่จนวันหนึ่งได้ความคิดว่าเราวันวันหนึ่งก็ไม่เคยนั่งอยู่กับที่อะไรทาไมวันนี้เราไม่นั่งอยู่กับที่ทั้งวันหานข้ที่สบายสบายมาทั้ตัวเนี่ยนั่งอยู่นี่เอาน้ํามาวางไว้ตรงนี้ยเราไม่ต้องทําอะไรแล้ะไม่ต้องดูไม่ต้องฟังอะไรแจ่นั่งสมาธิตรงนั้นก็ได้จะพิจารณาธรรมก็ได้ หรือถ้าเมื่อจะลุกขึ้นยืนก็ได้หรือถ้าอยากจะเข้าห้อ ง, งน้ำก็เข้าห้อ ง, งน้ําอย่างเดียวให้ลุกไปเข้าห้อ ง, งน้ำได้ต้องการน้ำจะไม่เอาอะไรตั้งแต่ทุกฉันนะฮะกินอาหารเสร็จแล้วตอนทัสายก็กล่าวจะนั่งอย่างนั่งมันลุ้ยแล้วนั่งเขาเปิดไฟขึ้นมาถึงจะลุกจาัดเรื่องต่อสู้กับความอยากที่อยากจะลุกไปทำนั่นทานีา่ลุกประมันใจทู้โดยสมาธิสู้โดยพุศโลบางสู้ด้วยการพิจารณาธรรมะ จะไม่อ่านหนังสือไม่ฟังอะไรนะี่ชั่วความอยากตอนนา้เราจะไปองนี้ที่ราะฉะนั้นเราก็จะนั่งดูลมหายใจลเราจะนั่งทำสำาสมาธิลมหายใจแล้วก็พิจารณาทางกายพิจารณาการทางสิส่สองพิจารณาสากลดนวยนั่งพิจารณารูปเสียงกินดดดรสสัมผัสพอเป็นไปแล้ว ก็เป็นทุกข์ถ้าทำอยู่อย่างนี้พิจารณาแล้วก็ปฏิบัติทำเมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่ไปแสวงหาอะไรก็ไม่ไปดูไม่ไปฟังไม่ไปไปเส ก, ก, ก, กดูโลกโลกเห็นกินรัตถุแตะจะมีการต่าให้มันเฉพาะความจําเป็นกับร่างกายแค่ต้องรบับประทานก็รับประทานเพื่อรา่างกายมีอะไรก็รบับประทานเพิ่มดื่มอะไรต่างก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่เสกเพิ่มดื่นย่างฟัง ปิบัติอนนั้นก็ตอนปีเดียวเนี่ยตอนที่เป็นคาราวาตอนที่เราออกจากงานนะพอพรบปีก็ถามตัวเองก็จะเอาย่างไรต่มันก็บอกจะต้องไปหัหแล้วนเพราะยังต้องการปฏิบัติต่อแล้วก็ไม่กลัวเริ่มหัวนะตอนแรกก็กลัวก็กลัวว่าเวลาไปหัวนแล้วจะต้องมันก็ถูกกักเงนกักบริเวณไม่มีอิสระ จะไปไหนมาไหนทำอะไรไม่ได้บางใจแต่ตอนนั้นใจมันมันก็ถูกถูกกำจัดแล้วความอยากจะไปไหนมาไหนในโชคปีนั้นก็เคยไปเหมือนกันขึ้นเหนือล่องใต้ภูเก็ตก็ไปเชียงใหม่ก็ไปลาวก็ไปเพราะมีคนมาชวนไปมีสปอนเซอร์ชวนไปแล้วก็ไปตอนนั้นเราไม่มีกงินเที่ยวแต่เขามีสปอนเซอร์ก็อยากจะมีเพื่อนไป เราก็ให้เป็นสปอนเซอร์เรก็ไปมีคนหนึ่งาเช่าบังกะโลไว้ที่สูเก็ต์เขาว่างอยู่ก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะไปใช้ก็ไปได้เป็นสลากเขาก็ให้ค่ารดค่าลอะไรเรแล้วก็ไปอยู่นอนบังกะโลที่สุเกต์คนเดียวมีเช้าอาทิตย์กงอาทิตย์กลับ tôi. มีสลากคนอยากจะไปเที่ยวเราเขาชวนเราไปเป็นเพื่อนเราก็ไปเขาก็จ่ายให้ค่ารถค่าอาหารค่าอะไร ต่ไปแบบแบ็คแน็คไงไปแบบตั้งรถไฟไปอยู่การเทสเ้าอะไรไปเลาไปเยียมกันไปหลวงพระบางนี่ว่าขึ้นเครื่องจากหลวงพระบางไปลงไปลงขึ้นลายที่สายแดงเครื่องไม่ได้เครื่องตันทำไมนะเครื่องดี3ีสามที่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องเล็ก ที่มันมันมีรออยู่ข้างหลังแล้วก็รออยู่ข้างหน้ารอจอดมันก็จะนัางได้ประมาณตั้งยี่สิบคนหลังใแล้วของราวมันก็บรรชุกทั้งไก่ทั้งหมูทั้งก็แปลกดี เข้าใจว่าขาเขาคือเขาลงก้างนั้นนะเราะอยากจะลงอีกรูขาเน่ยทําไงคุณจะลงอ่ออย่าไปอยากไม่ได้หรอกเพื่อทำเหมือนตอนตอนที่เราเริ่มต้นม้วก็พอนาไปตามปกติแล้วพอมันพยายามบริกรรมไปเรื่อยๆอย่าให้ไปคิดอะไรไม่ลงก็ไม่เป็นไรแหละขอให้มันมีไอ้นี่ไว้มันจะลงก็ต่อเม้วยเราต้องนั่งแล้วมันเจ็บมันปวดขึ้นมาตอนนั้นนะมันถึงจะมันจะลงได้หรือไปอยู่ที่กลัวๆมากๆแล้วมันบริกรรมอย่างเดียวส่ง หยิบไปหาคามกัวไม่ได้มันเป็นจ ะ, จะลงหลจากมันจะลงทั้งแรกให้เราครั้งเดียว <c oughs> ถ้ามันอยากจะลงอย่ามันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเหตุการณ์ต้องเปลี่ยนเหตุการณ์หรือไม่ใช่นั้นการบริกรรมของเราเป็นแบบมีสติอย่างต่อเนื่องอย่าเป็นที่อย่างผมคิดแม่แ้วอย่างเงี้ยอันนี้มันก็หลงได้ทุกครั้งถ้ า, าเราต่อไปทํางานมันก็จะลงให้เรา มันขอให้เราเกาะติด อ, อยู่กับการบริกรรมแล้วกันะเผื่อไปคาดถึงผลที่จะได้รับหรือคิดถึงผลที่เคยได้รับมแล้วถ้าไปคิดอย่างนั้นตัองมันไม่ได้รอยทปแลมันไม่ได้อยู่กับการบริกับบรมมัความปจเยี่ยมหรือแม้จะไม่รู้มันก็จะมีความความสบายใจความเพลิดเพลิน ก, กับการบริการ มันจะเป็นอุเบกาาอีกแบบหรือมันจะไม่สนใจกับเรื่องราวต่างๆภายนอกมันจะอยู่กับเลยกรรมเราสามารถใช้ได้ในขณะที่เราทํางานเวลาทํางานแล้วก็บริกรรมบริกรรมไปมันจะไม่ค่อยไปนั่งวิพากวิจารคุณคนนี้คนนี้มันจะไม่บวนเรื่องนั้นหวนเรื่องนี้อยู่ในใจเราก็บริกรรมไปมีหน้าที่เราแล้วก็ทํำของเราไปตัวใหญ่เนี่ยเราจิตขอเราจะส่งออกอิสระเวลา เดินไปทําอะไรไปกระมองคนนั้นมองคนนี้มองสิงนั้นสิ่งนี้แล้วก็บวนไปที่คาดที่านไปแล้วก็ชอบแสบไปหาเรื่องไปพูดไปว่าเขาหนังอะไรมันไปแหย่เขาหนังอะไรแต่ถ้าเราม่เบี่ยงเบนอยู่แล้วต่อไปมันจะไม่ทําอะไรกับใครจะอยู่กับงานกับการมีกับตัวของเรานอกจากว่าเขาพูดกับเราเราก็ตอบเข้าไป แต่เราจะไม่ไปเสนอหน้าต่อใครปล่อยเขาไปไม่ต้องไปทักใครใคถ้าไม่ไม่ทักเราก็ไม่ทักเขารวมมันมันเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับมีสุสีหรืออะไรที่ต่บที่เราจะต้องผ่านนี้เราเหมืนจะไปได้ถ้าเราไม่ผ่านไม่รวมพุกเราก็ไปไหนไม่ได้ใช่มันมันเป็นผลไงเป็นผลที่จะทําให้เกิด เกิเหมือนกับทำงานแล้วไม่ได้เงินเดือนเนี่ยมันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรแต่พอได้เงินเดือนแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับแล้วทุกวันมัถึงเวลามันก็จะไปทําเองทำแล้วมันได้เงินเดือนทําแล้วมันได้รางวัลถ้าทำแล้วมันไม่ได้รางวัลมันไม่ได้ผลก็รู้จะทาไปทําไมก็ทําได้ถ้าที่อย่างนี้ยอทำแบบถ้าที่ทำอยู่ ตามไปคืออย่างน้อยก็ยังมีศรัทธาทางเชื่อมีทางกลัวหรือว่าถ้าไม่ได้ทแล้วเดี๋ยวจะตกจะตกเค่องบนอตกรถไฟทำไปแค่น่อยได้ยังดีกว่าไม่ทำคุณสติการมีการมีสติในชีวจวันก็คือบางทีมันไปอยู่ที่กายทีมันไปอยู่ที่ใจูแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเด่นได้ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ คือวันนี้เวลาเวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้านแล้วก็จะใช้วิธีตามรู้กายทีใจแล้วแต่ว่าอะไรเป็นเด่ น, น, น, น, นที่เทีนี้มันคืออยู่ท้งนีสภาวะทางเข้ามาเนี่ยก็มันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วก็จะพยายามปรุงลมใจวัดแล้ว ม, มันก็ะเกิดนี่โดยวิธีการของเราก็คือว่าจะใช้ลมหายใจนะคะ<ม>โดยโดยไม่ได้แบบนั่งภาวนาลัา<ม>ลนนเหรือจะจงกรมเป็นชั่วโงชั่วโมงจะพยายามดินกลับไปกลับมาอย่างตลอดทั้งวันแบบนี้ก็ได้ค่ะ ก็ต้องเพิต้องเพิการนั่งภาวนาเจริญนาเหมือนที่ที่คนอื่นเขาทำใช่ไหว่าที่นั่งนานๆก็อยากจะให้นั่งให้มันเจ็บให้มันเจ็บแล้วจะได้ผ่านผวามเจ็บนั้นผ่านวิทนาคือปล่อยวางวิทนาให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่วันนี้เรารู้สึกว่าสป็นแบบมีควาสุขดีใช้ประจันว น, นแล้ว แล้วก็มันมันมีความสุขหรือว่าทำอยากได้อยามันหยากเป็นไม้เราไปในเรื่องเนี่ยมันก็คือว่าเราก็ทํ า, าตาม น, นี้ต่อไปในเรื่องนะหรือว่าเราควรจะเพิ่มออยากจะให้ตัดใจให้มากๆากตัดไปเรื่อยๆตัดลดลงไปง เ, ไป เ, เรื่อยๆอ่าไม่ให้หาความสุขจากสิ่งภายนอกเลยแช่หาความสุขจากจากในตัวเราเนีงั้นที่ให้นั่งอยู่กับกับปี้สักเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องไปทําอะ <c oughs> ไร การภาวนาไม่ได้อยนเรื่องการเป็นเลยนะคะการนั่งภาวนานี้มันไม่ได้อยู่ที่การนั่งมันอยู่ที่สติกับสติกับปัญญาแต่มันจะใช่เรียบบททั้งสี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอีรียบบทนี่เป็นเรื่องของร่างกายแต่การภาวนานี้เป็นเรื่องของจิตเพราจิตภาวนานได้ทั้งสี่รียบบท เป็นแต่อยาบวชยืนอนนี่มันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แล้วมันจะเป็นยาบว ท, ที่สบายถึงกระทั่งเซสติมันจะหลับไปส่วนใหญ่ ท, าท่านเปนิยมใช้สารยาบวร่างกายก็ต้องเปลี่ยนยาบวชไม่เชนั้นมันก็จะขี้กรนขการไดกถ้มันนันน่งนานๆมันก็ควรจะยืนบ้างก็จะเดินบ้างเดินนานๆก็ก็กลับมานั่งบ้าง ในในราบบขั้นสามนั้นก็ให้มีสติก็มีจิตอยู่เสมอไม่ให้จิตออกไปไปสู่เรื่องเปลี่ยนเมื่อโดสภาพะไม่ให้ไปสู่เรื่องต่างๆให้อยู่กับตายรักให้อยู่กับสติปัฏฐานสี่อยู่ที่กายกา็ได้พิจารณากา ย, ยู่ที่เวทนาก็พิจารณาเวทนาพิจารณาเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นเราเปลีป่ยนไปเปลี่ยนมาก็ ร, ารู้รไม่เราไม่ต้องไป ตับเบตนาเช่นร้อนเราก็ไปติดเครื่องตับอากาศไม่ต้องไปตับมันปล่อยให้น้ำร้อนไปตับใจหนาวก็ตับใจถ้าสำหรับร่างกายก็อาจจะต้องมีผ้าผ่มกันหนาวบางเพราะร่างกายก็อาจจะเสพไข้ได้ผลได้ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรปรับอย่างนั้นไม่ได้ตับตัดเพื่อกิเลสรับเพื่อร่างกายถ้าตับได้แต่ถ้าจะปรับเพื่อกิเลสก็อย่าไปตัด เป็นมันล้อเนี่ยพอทนได้ก็ทนลงไปนั่งแล้วมันเจ็บมันปวดทนได้ก็ทนลงไปทําใจให้เป็นอุเกขาด้วยการเวยกยรำพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการพิจารณาดูความเจ็บปวดจริงๆว่ามันเจ็บจริงหรือเปล่าเออเราไปมีอุปทานไปว่ามันเจ็บเองเราไปมีกีเลสไปลังเกีมันไปไปอยากให้มันหายเองถ้าเราไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากความอยากนี้ซึ่งมันมันรุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่าถ้าเราทําใจให้กระดูกเด็กขาได้ยอมรับกับความเจ็บของร่างกายได้ความเจ็บทางใจคือความทุกข์ใจอริยศาสตร์แค่จะไม่เกิดเพอไม่เกิดนั่นนันก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไม่ต้องกินยาแก้ปวดต่อกไปไม่ต้องกินยาแก้ปวด ที่ร่างกายครมันไม่ไดเผืที่ใจบางอย่างที่กินยาแก้ปวดนี่มันมันเป็นจิตวิทยาพอได้กินยาแล้วรู้สึกว่ามันเบาขึ้นก็นสบายใจขึ้นมาเพราะไม่เคยฝึกใจให้รับกับความเจ็บปวดของร่างกายพร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาก็ามีปฏิจจัยซ้อนขึ้นมาความทุกซ้อนขึ้นมาถ้าเราฝึกทำดับปฏิจจัยาทางใจได้แล้ว กาจะปวดทางกายก็จะไม่อะไรจะกินก็นได้ไม่กินก็นได้มันไม่แต่กระทบกับใจที่ทนไม่ได้ก็เพราะความคาทุกข์ทางใจที่ทนไม่ได้เราพระพุทธเจ้าพ้าหลานท่านถึงไม่เดือดร้อนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยกับการตายเพราะจิตใจขอานไม่มีปฏิปยากับการเส็บไข้ได้ป่วยกับการตายจิตใจมันอินเสกขา ก็มีทั้งสมาธิมีทพ้งปัญญามีทั้งสติที่เป็นเครื่องมือที่จะรักษาใจให้เป็นเอกขาให้ปลอดวางได้แล้วก็ต้องทําไปแหละทนไปสมาธิกับปัญญานิสระกันไปทําังไปสติทัศน์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเข้มข้นขึน้นไปเรื่อยๆ จยในที่สุดเราจอว่าไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ไดอยากจะมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากต้องการอะไรนี้อยากจะอยู่ตรงเดียวอยากจะอยู่ที่อย่างเนี้สบายทันทีชีวิตประจงวันเราเห็นอารมณ์เห็นจิตเราออกไปข้างนอกมากขึ้นไม่ใช่แค่ามณิมากเลนีก็ม<ๆ>ีเพราะว่าไม่ถ้าไม่มีมันก็ไม่เห็น แต่ว่าเห็นนี้มันยังไม่พอมันเป็นเพียงมันเพียงขั้นเริ่มต้นเราต้องเห็นแล้วเราต้องหาวิธีกําจัดไม่ให้มันเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นอันนี้สำคัญกว่าถ้าเห็นเห็นอะไรก็ไม่เกิดอารมณ์ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่เกิดอารมณ์ ี่องารกก็ปรุงลงใจถ้าขี่หยุดปรุงเขาเดี๋ไม่ยินมกูหยุดตรุงไม่ได้ก็ลงใจรลออกมัก็จะถึงจด้อ้มันจะไวไวแล้วต่อไปมันมันจะเห็นเฉยเฉย่ึงกว่ามันจะเห็นเฉยเได้ยินเฉยเฉยถ้าเห็นยังมีอารมณ์อยู่ก็แสดงว่ากิเลสยังทางานอยู่ถ้าเห็นแล้วเฉยเฉยแสดงว่ามันไม่ไม่ทงาก่อนที่โกดจะตกไปแล้วหนึ่งตัวแล้วเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มันก็ อ, อยรกระัเมือดยนีักเหมืน อ, อ, อนมาันขึ้นมขึ้ น, นมันต้องลงไปที่อานาตาลองอะไรเห็นแล้วมันมีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นเพียงดินน้ำลไมไฟมอฟไปว่โหกับลมลก่อนลมมันพัดเสียงมันดังเป็นไ ป, ไปกระโจนต่ลมลก่อน <S <S <S <S ใช่ไหมเวลาฝนตก เปียกฝนมาเนี่ยไปมโหมโหน้ําเมื่อเปล่ที่มันทําให้เราเปี่ยนในเวลาเดินไปคนเขาสาดน้ําพอดีเราโดนจ้ามเข้ามาเนี่ยโกรธขึ้นมาจนระแล้วก็น้ําเหมือนกันคนสาดล้วก็ดินน้ําลงไปเหมือนกันไปเห็นไหมนะมันต้องเห็นทั้งนะั้นเห็นขั้น น, นั้นเลย แล้วมันมันก็ถ้าเห็นยังงั้นมก็จะเห็นมันว่างอมักินอัตโนมัติเหนื่อถงเหืยอัตโนมัติก็ต้องกต้องูอัตโนมัติไปแล้วก็ต้องถูกเขียวเข็นต้องถูกครูบาอาจารย์ด่ายงนี้ยังยังพกก็ลงสัานพิได้เยัราณังอ่นั่นแหละมันก็ตรงนั้นเน่ยแต่นั้นมันเป็นภายนอกสัตยานิพิและภายในมันก็มันก็ว่างจากตัวตนอีก่แก่ จิตก hm. ็ไม่ใช่ตัวตนผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตัวตนในธนาก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวะธรรมเหมือนการดินน้ำเหมสอนไฟแต่ภายนอกมันเป็นรูปประธรรมดินน้ำหรนอสฟแต่ภายในนี้มันเป็นนามประธรรมในธนาก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกับแข่งหินข้อยสัญญาก็เหมือนกักแข่งหินข่อยสังขานก็เหมือนแข่งหินข่อยัญญาก็เหมือนแข่งหินข่อย มั้งแต่เพราะเก็บมาแล้เนี่าอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามัชฌิมันก็ยังเป็นสมติใช้เมืเมื่อถึงนี้มแล้วทกอย่าที่เป็นธําก็ยังไม่ถเนี่อเป็นไม่ที่มันตรงตรงนั้นแล้วมันมันเหลือทุกอย่างเรื่องมันไม่มีคํามันไม่มีภาษาไม่มีภาษามันปลาชมันว่างหมดมันว่างจากศาสตร์จากบุคคลจากอะไรจากสมมติบัญญัติทั้งหมดจากแต่ละรูปแต่ลารู้ ถ้าดูหนังแล้วเหมือนหนังสมัยโบราณไม่มีเสียงไม่มีภาพดูเฉยๆแต่เราชอบแปลมันเองถึงแม้ไม่มีเสียงภาพล้วก็ยังไปแปลภาพคือรักอย่ า, าแต่ถ้าจิตมันว่างมันจะมองว่าเฉยๆมันก็เป็นภาพอ่าเป็นแสงก็ได้เป็นแสงชนิดต่างๆบนจอแต่ก็ไม่ได้ตาสจากสมมุติสมมุติก็รู้ก็ใช้ได้แต่ไม่หลงสมมุติเท่าน ใช่แลมไม่หลงสมมติรู้ว่าคนนั้นเป็นนายกหรือว่าคนนี้เป็นอาจารย์ู้แต่ก็รู้วิมุตติด้วยว่าท่านก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟก็ต้องปฏิบัติให้เหมกากกับสมมุติผู้ใหญ่ก็กราบท่านผู้น้อยก็รับไหว้เขาแต่มันเสมอภาคกันทางด้านวิมุตติป็นดินน้ำลงไปเหมือนกั มันจะ น, น้ําลงไฟด้วยกันนะี่เป็นซากศพด้วยกันนะี่มีใครไม่ตายหรอนะนั่นแหละถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วมัน ก, มนก็มันก็หายหลงเร่องตาแหน่งยศฐานบรราศาักด์เรความสูงความจั๋งนี่มันไม่มีมันเป็นสมมุติเป็นละครเป็นบทละคร โลกเขาเขาเขาถอเขาเขามีกันเขาถือกันเราอยู่กับโลกเราก็ต้องเคารพสมมติไม่ใช่ไม่เคารพตลบบางทีมีพระบางรูปมีเขาเขามีทิฏฐิก็ไม่ยอมไหว้พระท่ใหญ่เพราะก็ว่าคุณธรรมไม่เท็นเขาเพราะว่าเพราะว่าภาษาไม่สาคัญกว่าสวามสคัญที่คุณธรรมเราก็อยู่าังนี้ อยูลยวัดนที่ไหนก็วัดบาทนี่คุณธรรที่กวาดคือว่าถ้าคุณธารก็วัดกันได้คุยกันมันก็รู้ว่าคุณธารมสูงก่ำเป็นแต่สมมุติก็ต้องสมมุติท่านมีภาษามากแต่เราเจอกันก็ต้องกราบท่านถ้าเราไม่อยากจะกราบท่านเราก็อยากไปเจอท่านท่านมาทางนี้เราก็เดินไปอีกทางหนึ่งเร่ยกไหอยากถ้ามันมันไม่เสียมารยาทว่ามันต้องแสดงคารวะมันก็ต้องแสดงเงินป่ายทาง สามเรื่องเท่านั้นแต่าจมันไม่ได้มีคารวะคารวะด้วยมันคารวะการกดของสมอนกันก็เป็นกติกามันก็เล่นฟุตบอลนี้ยเขาก็มีกติกาที่เรากต้องต้องเคารพเกิดทํางานในบริษัทก็ต้องเคารพนเพราะเป็นเจ้านายเราแต่คุณธรรมก็อาจจะต่างเราเพราะว่าเขายังไม่รักษาสิ่ห้าเรารักษาสี่ห้าอย่แต่เราก็ยังต้องไห่้เขา เราเขาเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้เราข้าวทางไปนั่นเงินหมดตะครองเราใช้สมมุติเดินเข้าไปสูตรนี้มัครับเราใช้ธรรมะเพื่อให้ปล่อยวางสมมุติแจะ ง, ง่ายกว่าแต่สมมุติมันก็มีทั้งฝ่ายฝ่ายก็เรียกว่าฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีก็แล้วกันฝ่ายดี ก, ด ก, ดก็เป็นกิเป็นธรรมฝ่ายไม่ดีก็เป็นกิเลส กิเลสก็จะยึดติดใจในอัตตาตัวตนธรรมะก็บอกไม่มีตัวต น, ม, นมาแก้กันอนินจังทุกขังหน้าตานี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นสมมุติฝ่ายดูพอมันหลุดแล้วทั้งอนินจังทุกครงห น, น้าตาทั้งกิเลสมันก็หมดหมดปัญหาไปไม่ต้องพิจารณาตายรักหรอกอดไม่ต้องกินยายต่อไปหายจากโรคภัยแล้ว เมื่อจิตมันตักแต่ว่าแล้วมันเห็นอะไรก็ตักแต่ว่าแล้วมันก็หมกฐันหาช่ไหมครับไปพิจารณาอะไรที่จังค ะ, ท, ท, มมะ ท, ที่เออถ้าติดสงบแล้วเนี่ยอยาเียาปฏิบัติคล้ายๆแต่แบบปัญญาเคที่เจิญสงบแล้มันเหมือนจะไปได้ขึ้นทางนะคะจมันจะได้สิ่งเหมือนกับที่เราเชื่อถือไดนะคะอาจารอาจจะเป็นพว่า เราไปคาดหวังมันหรือว่าเราจิตมันไปจดจ่อเขาคาจะต้องให้ได้เจออย่างนะ้เพราะว่าทั้งแรกไม่ไม่ได้คิดว่าจะเจอทีไรไม่ถึงเลยว่าไม่ถึงคำที่อาจารย์สอนนะคะว่าการเจอจับของจิตมันเร็วมากก็แบบมันมันก็เร็วมันมาเองเลยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าจะเร็วได้ขนาดนี้แล้วมันก็ถ้าเป็นหลังแล้วก็จะเหมือนดัคคือฟิวเจอร์คือแบบ มันไม่ถูกยังกลับไปที่เดิมเลยไหมมันมันกลับกลับไปที่เก่มันไปได้เองเนาะแล้วแล้วเร็วมากนะคะาอาจารย์คือแบบว่าลูไม่คิดอะไรเพียงที่ว่าถ้าจะรบอกว่าทำการบ้านก็ทํารั้งที่ว่ากทุกทีก็ทําแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆก็วันนั้นก็แบบต่ลองลองลองดูซิว่าทําได้ไหมก็เลยทำทำไปเรื่อยๆบอกว่าแค่ไม่ที่ว่าแค่ท่านๆบอกว่าอ่าการจัดจับของจิตนี่ทีจิตนี่มันเร็ว ทำเร็วมันเวมากถ้าเกิดเราเราไม่ไม่คุมอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะนิ่ง่ได้ก็จะเร็วเร็วเร็นี่มันเร็วจนแบบเราคนกับมันเร็วก็ได้ขนาด้นเหนกันนะคะ้ัก็หายเลยหายไปแตเป็นสกเดียวก็มันก็หายรู้ว่ารื่อมหายไปแต่ทีนี้พอไปทมาทาอีกครั้งนึ่งมันได้เหมือนกับเราเล่งไปครึ่งทางแล้วก็ หมดแรงมันก็ไม่จบมัจบอยู่แค่นั้นมันไม่ฟลิปไปเมันหนแรกว่มันไปแล้วมันไปได้ตลอดอย่างนี้ค่ะมันเราต้องไปอยากจะอยากจะทอยาอยาอยาอยาให้เป็นความอยากเพราะเราไปคอยคาดคิดแต่ท้งแรกเราไมได้คาดคิดว่ามันตมันเลยไปได้ตอนนี้เราก็ต้องทำแบบว่าไปเรื่อยๆถูกถูกไม่ต้องใส่ใจอะไรทำไปเรื่อยๆทีนี้มันอาจจะต้องไปยาวแล้วมันต้องไป long march แล้วใช่คจะเป็นอย่างงั้นมันก็จะต้อง มันก็จะอาจจะต้องนั่งไปเรื่อยๆถ้าสติดีมันก็จะสงบแล้วมันก็จะไม่เจอความเจ็บปวดแต่ถ้ามันไม่สติไม่ค่อยดีนั่งไปเรื่อยมันจะเจอความเจ็บปวดตอนนั้นเราก็ต้องใช้การบริกรรมเพื่อให้มันผ่านความเจ็บปวดไปได้แต่ของของลูกที่ทํางานตอนที่มันายไปเนี่ยทั้งหลายมันเจ็บนะคร้งแรกหนึ่งแล้วพอมันสักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาหยุดสภาพติดเดิ คือความพวทนาต้อเริ่มเกิดแต่ยังยังยังทนได้ <ừ. S 2> ไปสักเท่าก็เป็นก็เป็นเสด็จของมันขัดจังเลยดังนี้นเริ่มปวดเหมือนเดิมแะทีนี้พอเขาลู้รู้แล้วว่ามันต้องเจ็บอีกแน่ๆเลยก็พยายามไปภาวนาภาวนาไปคือถ้าจิตเกาะอยู่กับคำที่เราบริกรรมอยู่อันนั้นนะคะโดยใช้คำโดยพอสมควรคือเลิกเฉยต่อทุกอย่างในจังเนี่ยมันก็จะหาติดช่วงนึงตอนที่จิตเกาะไม่แต่ทีนี้จิตของขอรู้เนี่ยมันยังไม่สงบยังไม่ตามเลยอันนั้นไปได้ตลอดรอดฝั่ง พอเดี๋ยวพุ๊บมันก็กลับมาใหม่างเนี้มันมันเหมือนกับนด้ขื้นึ่งขึ้นหน่เริ่มแล้วแต่มันทนไม่ตลอดต้องพยายามทำต่อไปทาต่อไปแต่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆคือหมายความว่ามันคงจะไปละหมดแรงไปก่อนใช่ค่ะมันเหมือนมันหมดแรงหมดถ้ามันหมดง่ายยังไงก็ไม่ทราบว่าก็มีเท่านั้นเนี่ยมีเท่านั้นก็ต้องพยายาม แต่ตอนที่มันคือเหมือนว่ามันเริ่มสะติ๋ขึ้นมาว่าเรารู้แล้วมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้ว่ากับบังเป็นความรู้สึกว่าเรารู้ว่าในดาวน์โนว่ามีสิทธว่าจะไปได้เหมือนตอนที่เดย์หัวแร่แต่พอไปได้แค่ครึ่งเดียวมันเฉยจบเหมือนจะวิ่งเกิดอะไรที่ว่าเหมือนเราวิ่งก็คกคุกไปแล้วก็สึดติดอย่างเงี้ยทําไมทําให้มันค่อยค่อยค่อยค่ไปแล้วก็ไม่ต้องแรงมากก็ได้กต่ไปถึงจุดหมายอย่างเงี้ย หรือมาแกสภาวะจกัไม่ได้ไงเราไปรีดร้อนเองรีดร้อนแล้วเราไม่มีแรงพอที่จะใช่เหมือนเราไม่ได้วอร์มเรา่วิ่งวิ่งตั้งเราก็ก็ต้องทำไปการกำลังของเราใชได้ยินเรียนเวลาเยอะเวลาทำเยอะจะเป็นแบบพวกมักง่ายทำเร็วๆเสร็จเร็วๆ รมกขันรักแม้แต่ของลูกที่ความสึกว่ามันดีใจค่ะคือ่อน้ติกก็ทำต่อไปทําใหม่กันของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าตอนที่มันเจ็บตอนแกมันเจ็บต้องทำเร็วค่ะก็เลยคิดว่าต้องใช้ความเราเจะเจอความเจ็บไม่อยากไปถอยนะถ้าทำต่อไปทําหมืนที่เคยทำแล้วอยากก็อยากให้มันหายเหมือนคราวที่เคยหายอยากไปคิดถึงมันก็ทําไป ให้อยู่กับทำบริการไปเรื่อยๆนั่นเือนกับว่าที่เราเคยใช้วีนี้ได้มาแโอเคแล้วพอจะใช้อีกหมายอีกมไม่ได้ลไม่ได้ละ ไ, ไ, ไม่ได้ต้องต้องทำใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ใี้สำรองสองครั้งเดี๋ยวราเดี๋ยวนะที่โรงพยาบาล เมื่ออาจารย์งพยาบาลวัฏายานคนใหม่เรามารับตําแหน่งอะไรมา ม, มาค า, าราวะ า, า <c oughs> ก็เป็นคนแรกที่มาทําความรู้จักกับพระเป็นอย่ที่มากันเข้าไม่ให้สนใจไม่มีอะไรเพียงแต่มาทําความ ร, รู้จักกันก็ได้เกื่มีอะไรที่จะต้องประสานกันก็ได้ โรงพย า, า บ, บาลนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของแม่หลวงอยู่ในโครงการของวัดยางทางวัดยางมีใหญ่มีวัดมีโรงพยาบาลมีศูนย์สูงอายุมีต่าไม้มีชนรประทานมีกเกษต ร, รกรรมมีพัฒนาที่ดินมีประศุสัตว์ โรงการพนาที่จะให้หน่วยงานมาดูแลพานรับศึกษาเด็กของประชาชนโครงการขวบองจรข่าวโรงเรียนโรงเรียนก็มีของสมเด็จพิสันพราชิสันพราจงสร้างโรงเรียนระดับมัธยมต้นโรงเรียนชั้นม .3 เป็นโรงเรียนกินนอนรับเด็กยากจนที่มีความเป็นพิเศษดีตาม ตังจังหวัดชายแดนกาจีนตักสแก้วมาอยู่เรียนฟรีทุกอย่างฟรีหมดกินนอนมีเงินกองทุนสำหรับนัเรียนที่ท้องได้สร้างไว้นักเรียตรงนี้พอจบม .1 ก็จะจับบทสัมเน15า15วันก่อนที่จะติดเทิงขับบ้าน แล้วตีตั้งไปเขาก็จะเป็นที่เลี้ยงของน้องใหม่น้องมอนิ่ที่เข้ามาใหม่ทำที่นี้ไปเด็วก็ทางโรงเรียนก็เน้นวิถีพุทธสอนให้โรงเรียนจะหยุดวันวันพระกับวันโกลไม่หยุดเสาร์อาทิตย์วันพระวันโกลแล้วมีพระไปอบรมสังสอนเป็นประจำวันพระวันโกนก็จะเข้ามาทํากิธีกรรมในวันนดเพื่อผัดคามทำความสรอาด คนธาต ก, ก็จะมาทำดินตักบาบทาเทพทำธรรมแต่ไม่ได้มาทั้งหมดก็จะจัดเป็นเป็นกลุ่มมานี่เป็นโครงการของสินักสังขารแต่มีเพียงแค่โ ม, ม่สามเท่านั้นจบจากโม .3 สามแล้ว ก, ก็ต้องไปไปนิมิตอที่ บางคนก็ไปทางอาชีวะศึกษาบางคนก็ไปเรียนตอนมสามมสีกลับไปที่บ้านค้าะถามจะถามอะไรก็ย็นคิดไม่หก็าจะถามอะไรก็ถาเครื่องอยาเิดี้ ไม่อยากเกิดกอยากเที่ยวเพราะวอยากเที่ยวมันก็เป็นมันก็เป็นเหตุของการที่ทําให้ไปเกิดนะไม่อยากเกิดไม่ต้องนั่งเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องหรือไม่ต้องรับประทานอะไรรับประทานแต่ข้าที่จําเป็นสำหรับร่างกายืขินเขินท้าที่จําเป็นสําหรับร่างกายถ้าตสดก็ไม่เกิด ใช่มันเป็นความฝันอสูงสุด อ, อยให้มันเป็นความฝันถ้ามันเป็นความจริง <c oughs> เกิดมาทั้ทีเจอของดีแล้วมันไไม่ทาให้มันเป็นของจริงขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่จะไปเจอของอย่างนี้มีามิานอแ่ม้วจความที่เสี่ย ม, น ม, มันมีมั้เกิด อยู่บนแล้วอยากมากมาการเที่ยวท่อาจารย์วิธีจริงๆจะเป็นกิเลเองจริงมันจะว่าจะว่าเป็นกิเลสก็ได้จะว่าเป็นธรรมก็ได้ือถ้าจะว่าเป็นธรรมก็เพราะว่าเรายังต้องทุ่งพาสายการทามันก็เป็นธรรมแต่ถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วเราเราปฏิบัติได้แล้วมันอยากจะไปนี่มันก็จะเป็นกิเลสก็ได้ เพราะมันอยากจะเรียนจากการปฏิบัติแล้ ว, ลวยุคนที่ชอบบ่อยๆนี่ก็ถือว่าเป็นกิเลส น, นะบ่อยๆวมัน <c oughs> มันแล้วแต่สภาวะจิตไงหมควาว่าผ <c oughs> ู้อย่งงอยู่ป .3 นี่แทนที่จะขึ้นป .4 แต่อยากจะลงไปเรียนป .2 นี่อยงเียถ <c oughs> ้าอยากจะลงมปเรียนป .2 มันก็เป็นกิเลสมันถอยลัง มันจะใช้เป็นข้ออ้างที่จะปฏิบัติ <มา S 1> ใช่ไหดีกว่าข้ออางจะได้ออกไปนั่งรถเที่ยวไปดูนั่อย <c oughs> ู่นี่ไปมันจะได้ไม่ต้องภาวนาจริงถ้าอยากจะฟังหนังสือก็มีให้อ่านเทศก็มีให้ฟังเยอะแยะเต็มไปหมดฟังจนสิบปีก็ยังไม่ซ้ําเลยที่ท่านเทศไว้อ่านไว้นี่เมื่อถึงรุงได้ได้ฟังฝัหนหลุดผู้แต่งมุขกเพราะต้องเวียนว่าคิดถึงท่านจังมาก ก็ว่าเพิ่งจะองอ่านที่เป็นพระกรรมโพชะที่อันนี้เป็นหลังจากที่พระพุทธเจ้าสับขันบริิญพาแล้วแล้วก็พระกรมเพระพระอนุนไปนั่งในประปร ะ, ประดูลายนะคะแล้วพระกัมโพชะเพิ่งบวชหลังจากพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วห้าปีบวชมาเราก็ไม่รู้ว่าองค์นั้นคือพระอนุนเขาแบบว่าเข้าไปกราบแล้วก็พูดกันแล้วพระอนุนก็ทราบก็ก็พูดบอกว่าทําไมท่านมีนิสัยเหมือนแก ชอบมานั่งในป่าเหมือนกันท่านนนก็บอกว่าก็สถาคุตเจ้าก็เห็นว่าความสงบเป็นอย่างนี้เว่ยพระกัมพูชาก็บอกว่าตัวเข้าเจ้าเลยชื่อกัมพูชาแต่ว่าอยากถามว่าท่านมีนามว่าอะไรท่านนุ่คิดคิดอยู่ว่าจะควรจะบอกดีหรือไม่บอกดีแต่คิดว่าการบอกน่าจะทําให้เกิดปิติมากเออพระท่านนนก็บอกว่าก่อนที่เราจะออกบวชเนี่ยทุกคนในครอบครัวเรียกเราว่าเจ้าชายอนันทะแต่ว่า เมื่อเราบวชแล้วเนี่ยบรรดาบรรดาพระพิสุทธั่วไปเรียกเราว่าพระอนันทเทระแต่พระพุทธเจ้าเรียกเราว่าอนุนนะอนุนตลอดเวลาคการบริจาคคุณลองให้แล้วค่ะคุณไปกราบเท้าเราไม่ลูกยิดว่าลูกโชคดีมากเลยที่ได้มากราบจันจันครับจริงๆอันนี้มันเป็นคามรู้สกจริงๆมาค่ะจันจังยักสันเกตุบรรยากาศว่ามีกลิ่นน่นใจ ก็ไม่เป็นไรก็เป็นความรู้สึกนทิดนี้ฮะคือวิถีชีวิตเราควรจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ความ ถ้าเราฟังมากขนาดนี้แล้วมันไม่เปลี่ยนนี่แสดงว่ามันไม่ซุนซ่าก็ไปในใจเลยก็แย่มากมันก็มันต้องความหลงมันต้องน้อยลงเนี่ยอความน้อยสันโดษมันควรจะมีมากขึ้นเป็นแดงค่ะก็เปลี่ยนแดงทุกคนเปลี่ยนแดงมีพลังการดีรู้สึกกักใช้ปัญญานีกับ ครูบาคิดว่าไม่มีอง์ไหนหรือว่าที่ชั้นผ่านตัวท่าน มปนี่แเขียเ็เตไว้่อสองสามีห้าหกเจ็ด้องเเนไปแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงไวลามั yes> ่งแตกก็เป็นสเจกมากมันมันกว้างมากโอ้ยละเอียดขนาดไหนนี่เลยขั้นปฏิบัติเนี่็นี่ก็บอกแล้วขั้นแรกก็สเ็จก็บอกแล้วไงนี่ก็บอกแล้วไม่ฟังไม่รเรื่องอะไรนี่อะไรนี่ก็บอกเจอเข้ามาให้ตั้งส็จเนี่ขั้นสเตกหน้าต้องบอกหนึ่ง กูขี้อันกันก็หลับตาเป็นสูด้วยกัน็ยังไงก็เนี่ยตื่นข okay ึ้นมาก็ให้ตั้งสติก่อนนะก่อนจะลุกก็ต้องให้ทัางรู้ว่ากำลังที้ว่าจะลุกเนี่ยแล้วก็ดูดูดูความที่กัดการกระทาของเรากําำลังลุกแล้วนะอ่านกังยีนแล้วนะกาลังเดินแล้วนะนี่ก็สเต็ปยากก็สอนอยงนี้เาไปธีที่จะให้มีสติก็าอย่าไปกินเหล้ากินล้าแล้วมันก็ไม่มีสติ ก็ไม่ทําเองอเพราะตื่นขึ้นมาก็พวดพลาดเปิดนาฬิากาดูถึงเวลาการะโดดเดาทางไปถึงนู่นเลยถึงก็นี่มไม่ตั้งแต่เมื่อกี้ฟังนี่ไม่รู้แล้วเนี่ยแต่ต้มจนจบที่สอนหมดแล้วติดแล้วก็ไปสู่สมาธิสมาธิก็ไปสู่ปัญญาปัญญาก็ไปสู่การหลุดพ้นนั่นก็ชัดแจ้งแดงแจ๋อย่างนี้เราจะให้ละเอียดถึงขนาดไหน ทำมันก็ต่อว่าั้นที่หนึ่งมาเอาไข่ไก่ฟองถมนตเหมือนกันมันเยอะมันมันป็นเหมนั่นไอ้ไอ้พัทโซมากกว่าต้งมามันเนี่ยทั้งหมดมันอยู่นี้คุณไปหยิบต่อเอาสิถ้าไม่มีปัญญามันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีความภาพเพียนพอมันก็ใจถ้าใจร้อนมันไม่ได้หรอกมันใจอิทธิบาเอาแต่ละชิ้นมาค่อยมามาะฏติดผัดต่อัน การสอนธรรมการปฏิบัติธรรมนี่มันมันชัดยิ่งกว่าการการวิพพีต่อภาพนี่เนสะียนองต่อภาพก็ยังไม่ได้บอกว่าอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ไม่ได้เขียนเลยนชอันนี้ยังบอกท่านที่หนึ่งก็คือสตินท่านที่สองก็คือสมาธิท่านที่สามก็คือปัญญามันบอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วเราไม่ทํามนะันนันเอเนี่ยสามปีนี้ก็พูดแต่เรื่องเนี้ย <c oughs> มันเหมือนพี่ไม่ค่อยกล้าหน้าไปยังไงมันเหมือนการก็หลงคาท่านก็เทศในฝั่งว่าสมัยที่ฟางเทศน์หลวงปู่ม่านเนี่ยเหมือนท่านเปิตู้พระไตรปิฎกให้เราดูเดูนิพพานดูอะไรพอท่านเทศเสรเหมือนท่านปิดตู้เขาป็ดตู้เขาทั้งหายหมดเลยตอนฟังนี้ก็เข้าใจรู้หมดนลยพออย่างนี้ไปแล้วหายไปหมดเลยค่อยคุยกันเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันมากรอกหมดเมันไม่ได้เอาไปทํา พอมันเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นสัญญามันจะลืมง่ายแต่ถ้ามันเป็นถ้ามันเอาไปทําเอาไปปฏิบัติมันจะเป็นความจริงพรเป็นความจริงแล้วมันไม่ลืมดังที่มีคนผานผ้าผ่านว่าถ้าลืมได้มว่าลืมได้สัญญานี่จะแล้วมีอะไรที่ท่านไม่ลืมมันมีความจริงไงอริยศาสินนี้เป็นความจริงมันไม่ลืมมันอยู่ในจิตท่านมันปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาอริยศาสินี้มันคือทงานอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ของท่านนี่มันเหลือแค่สองเท่านั้นแหะคือทุกศาสตสมุทรไทยมันไม่มีแล้วมันเมักก็ไม่มีความจริงของท่านนั้นผ่านไปหมดแล้วแต่มันยังอยู่มันมันรู้ว่ามันทำยังไงมันอยู่ในจิตของท่านลูกไปเข้าใจตรงท่านเห็นตอนสภาพร่างกาแก่แต่เวลาท่านเทศไม่มีลืมเลยแต่ว่าส่วนอื่นไม่รู้สึกท่านถามซ้ำถามซ้ำยัตลอดเหตการชื่อเรื่องอะไรทําอะไรไปเมื่อไหร่แต่ถ้าธรรมะไม่ลืมะ เวลาเท่ไปมากเองกเป็น่องย่าทีเลาเลยถามทองกี่บาทกี่บาก็ทอี่บานลทองเยอะท้ันเท่่หนัท้ไือย่เอตอกรจะลืตรงนี้เองไเอกดะลนพรุ่งนี้จะไปทาอะไรบางทีก็เลืมหรือันเมื่อวานนี้ทาอะไรไปแล้วก็เลืลืได้าทีมีหน้ากับใครไว้มัคิดก็เล่ เข้ามาพอเป็นพอไม่ได้ไคิดถึงมันัก็ลืมเวลาเนี่ยพาเราไม่คิดถึงธรรมะทักเราก็ลืมนะเพราะว่าธรรมะที่เราฟังนี้ยังเป็นความจําอยู่แต่ว่ายังเป็นสัญญาอยู่ยังไม่ใช่เรื่ความจริงแต่พอมันปรากฏขึ้นในจิตได้เนี่ยทุกทอลุกทอลแล้วมันวุ้บหายไปเนี่ยมันไม่ลืมแนละ้วะอันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าจิตกับสมอง คนส่วนสมองมันเป็นวัตถุสมองมันเป็นทําหน้าที่ส่วนของร่างกายเป็นเหมือนกับรถยนต์เป็นส่วนของส่วนประกอบของรถยนต์แต่คนขับต่อรถยนต์นี้มันเป็นคนส่วนเปนคนขับที่สั่งให้รถเรี้ยวซ้ายเรี้ยวขวาให้วิ่งเร็ววิ่งช้านี่มันเป็นคนขับจิตก็เป็นตัวสั่งให้ร่างกายวิ่งให้ให้ทําอะไรต่ตางะ ที่ร่างกายก็ต้องมีสมองไว้เป็นตัวประสานกับการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆสมัยฝันลูียนมีสิงห้าสิ่งพ ห, ห้าเต็มที่เลยที่รักษาไม่ได้ก็จะเถียงว่าจิตไม่มีทั้งหมดทั้งหมดคือสมอ ง, มองมตัวต่งางเกตเราเราเรามาเถียงะเราเรามาเถียงนะแล้วก็เอาความรู้สึกนึกคิดของเรามาเถียงนะเพราะเรามาเรามาปฏิบัตเรามาเรียนรู้เราทราบตรงนี้เป็นแยกต่างกันอ ถ้าจิตสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่เป็นส่วนของร่างกายใช่อย่างนั้นจิตของพวกเปรตผีเนี่ยนะคะท่านอาจายเพราะเป็นผูนั้นไม่มีรูปถือวะะ่าตายไปแล้วถ้ามีแต่ถ้ามีแต่ดวงจิตที่มีแต่ความโลภ<ช>เป็นตัวงา เ, เป็นตัวเด่นตัวนํามันก็โลภสิรูปมันก็เป็นไปเพราะฉะนั้นไม่มีเครื่องมือที่จะทําความดีหรือจิตตรงนั้นทําได้คะ่ะ มันไม่เดียวจะให้มันทั้งพันเดียวตอนนั้นมันอยู่ในภาวะที่มันความหิวไงก็มีแต่อยากจะได้อยากจะกินอย่างเดียวหรือถ้าอยู่ในภาวะกลัวมันก็กลัวอย่างเดียวหรืออยู่ในภาวะสงบมีความสุขมันก็เสวิความสุขใส่มันก็เป็นเทกใส่ซึ่งจิตอยู่ในภาวะที่ที่มีมีแต่มีแต่ภาพคลิปเสียงคลิปปรากฏให้ได้สัมผั์อยู่ เหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันดีตอนนั้นก็จิตก็เป็นเพล่ตอนที่นอนหลับนกฝันร้ายจิตกเ็เป็นเป็นเสกก็ได้เป็นอารมณ์ก็ได้ตอนนั้นมันไม่มีมันไม่ได้อาศัยร่างกายจิตเป็นม้วนเป็จิตเป็นม้วนหรือไม่ต้องมีร่างกายมันก็มันก็ยั ง, ยงมันยังทํางานได้มันร่างกายนี่มันเพียงแต่ เป็นเครื่องมือสําหรับที่จะหาลูกเสีงษษษษษษษษยงกินรัตโธทั้งหนุดอย่างซึ่งมีอยู่สองพบคือของมนุษย์และของของเดรัจฉานส่วนของพบเหล่านี้เขาเป็นของทิแต่เป็นของทิพส่วนดีและส่วนส่วนไม่ดีพวกเปลนนี้ก็เป็นของทิพส่วนไม่ดีก็คือมีแต่ความหิวความกระหางพวกนรกก็มีแต่ความร้อน มีความเสียดความชางความโกรธความแค้นนะคะอาภพาตอ า, า, า, ร, าตราาสลายต่างช่วงรัาร่าก็มีแต่ความหวาดกลัวส่วนช่วเทศเขาก็มีลูกทิพย์เสียงทิพย์มาคอยให้เสดตลอดเวลาถ้าช่วงคนเขาก็มีความสงบเป็นฌานในแต่ละขั้นพวกที่ได้ฌานนี้จิตจะเป็นคง ส่วนพระ อ, อริยเจ้านี่ท่านก็มีปัญญามีวิสัชนามีไจรักทำให้ท่านมีวามสงบได้ปัญญาอจรงสมาธิท่านตัจเกตทำจิตให้สงบได้ด้วยด้วยปัญญาและส ก, กายาทุกข์ได้ละความสงสัยวนจิติจาและทิลัพัฒนาสมา คือความหลงว่าพิธีกรรมต่างๆเป็นเหตุที่ทำให้ตนเองหายพ้นจากความเคราะดกรรมหรือหรือำทำให้ตนเองนี้เจริญจ้าหน้าได้ที่เขามีพิธีกรรมต่างๆเช่นวงสรวงเทพพระเจ้า ภูชาลาหุน อ, อะไรต่างๆางนี่ยตอนนี้เรียกถือว่าเป็นพวกสิรพัฒนาธรราไม่เห็นว่าความเจริญความเสื่อมอยู่ที่กรรมที่กายจะทําทําดีก็เจริญทำชั่วก็เสื่อมส่วนที่มันเสื่อมหรือเจริญในขณะนี้มันเป็นวิบากของทานดีทานชั่วที่ทานมาในอดีตมันสมของงานในปัจจุบัน ไม่ต้องไปดวงสลวงไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนนามสกุลมันไม่ได้ไปแก้ช่วยพี่เขาเ่องอะนะเรียอสวดปาริยักษ์อทั้งหมดกรรมกที่ใช่ครับนึกถึงเลยเลยไปเรื่องลู ป, ประทานแต่ลูก ป, ประท า, ปปะาะมนมันเป็นความละเอียดของจิตมันสนบ ม, มากขึ้นไปเรื่อย การทํา ง, งานของนาำมะขันมันจะน้อยลงไปน้อยลงไฟเรนะื่อยๆแต่ที่เกี่ยวกับรูปรูปหรือไม่รูปคือรูปประชานี่เขาก็แบ่งไว้ว่ามันมีสีล่ลักษณะรูปประชาขั้นที่หนึ่งก็จะมีวิตรกิจารมีสุขมีจติกใช่ไหมแล้วพอละเอียดเข้าลงไปวิตรกิจารก็จะหายไปมันจะมันจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ เหมือนกับมีมีไฟในห้องสิบดวงแล้วก็ดับไปทีละดวงสองดวงสามดวงดับมันไปเรื่อยจนกระทั่งมันดับหมดเลยมันมืดสนิทเลยพอขั้นถึงขั้นที่เก้าเขเรียกว่าสัญญาเวริสานิโรธเนี่ยสัญญาก็ดับเวทนาก็ดับมีอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามีที่ที่เขาหรือษีก็อยู่อยู่สมาบัติก็อยู่ในขั้นนั้น อัญวรตนิโรธอันนี้ไม่ใช่นิโรธาในอริยสัจสีอันนี้นิโรธาที่เกิดจากการกำลังของสมาธิกิเลสไม่ดับกิเลสก็ต้อต้องต้องหยุดตัวตามการดับของการทำงานของของงานมาขัน คืในขณะที่อยู่ในชาญหลาชานนี่ยังมีสัญญารับรู้อยู่ว่าออตอนนี้มีสุขนะมีปิตินะมีเบญกลางนะก็เป็นตัวสัญญาสังขาร ท, ที่ละเอียดที่รับรู้เรื่องราวแบบนี้ันนีรูปรชาร์อะนีรู้ประชารหลังจากรู้ประช า, ะารชาไปมันก็มันจะมีความรู้สึกว่างเป็นอยู่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนท้องฟ้าว่างไปมนรู้สึกว่ามีวิญ ญ, ญาณที่มันว่าง เขาก็ที่มาไี่เป็นมันเป็นภาษาที่เราอ่านมานพราะก็จะมีไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะห้ามถึงว่าไม่รู้ว่ามันว่างไม่ว่างมีหรือไม่มีมีขั้นกานพิจารณาในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยสัญญาก็ดับเลขคะแานก็ดับอันนี้ที่เรียวกว่าสักดแต่ว่ารู้อย่างเดียวว น, นจิตมันวั น, นจิตไม่ทํางานถ้าเป็นจอโทรทัศน์ก็ปิดเครื่องเลย ทตันแล้วก็เบาเสียงเบาเสียงลงปเรื่อยๆปรับภาพลดลดแสงสว่างลงไปที่น้ดๆนิดแล้วถ้าเราก็ปรับเสียงให้เหลือศูนย์ปรับภาพให้เหลือศูนย์มัก็มืดจอมันก็ว่างแต่หมดจิตม่เป็นี้แต่มันมันชั่วคราวพอมันออกมาแล้วพิเลต ก, ก็กลับมาทางานเหมือนเดิม เนี่ยพระปัญจวัคคีนี่ได้เึ้นนี้มาแล้วแต่ไม่ไม่บรรลุมรรคผลพิพาทพระพุทธเจ้าก่อนนั้นก็ไม่ไม่บรรลุมรรคผลพิพาทนั่นก็ได้มานล้วเป็นลิงกับอาจารย์สองลูกก็ได้แบบนี้มาแล้วแต่พอเอามาจากไอชาณีลักจิตใจก็ยังว้าวุ่นขุ่นงออยู่ยังมีโรคโกรธอยู่ยังมีความทุกข์อยู่ยังกังวลกับทางแก่คามเจ็บความตายยังกลัวความแก่ความเจ็บควางตายอยู่ แต่หลังจากที่ได้ทรงทรงทรงเจริญปัจจนาแล้วพบอริยสัจสี่พบตายรักขึ้นมาทีนี้ก็ปล่อยวางหน้ายขึ้นนะอ๋อไม่ใช่ตัวเราเราเป็นหลงเป็นตัวเราของเราสัตยธรรมารักตาทุกอย่างไม่มีตัว่นตอนห็นชัดหลับหลงจิตก็ไม่ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่กล้าไม่ยึดติดกับงมกับแดกับำฝนี้ แต่เราไปยึดติดกับผลงานของลมกับของนเนี่ยตนไม้เนี่ยมันเป็นผลงานของดินขอ ง, งน้ำของลมของฝนเราลูกต้นไม้แล้วเราก็ไปยึดติดเหมือนใช่ได้ดอกไม้มาช่อนี้นก็ยึดติดเหมือนมันเป็นผลของลมขอ ง, งน้ำแต่เราไม่ยึดติดกับลมกับ น, น้นลมจะมาจะไปเราไม่ได้สนใจร่างกายนี้ก็เป็นผลผลงานของดินน้ำลมไฟ <c oughs> พอเข้าใจว่ามันเป็นเพียงบินน้ำมลไฟจบ่ปล่อยวางได้จิตไม่ชุกกับร่างกายต่อไปไม่ชุบ ก, กับของเราของไทยนร่างกายของไทยกันเลยทอันนี้เป็นวิปัสสนาและ ว, วิปัสสนานี้ก็ไม่ต้องมีฌานในระดับสัญญาเวทีศัพทขอให้มีแค่อุเบขาแค่ฌานสี่เท <c oughs> ่านัจิตกลาง ปว่อยวางเหอะไรก็ไม่ไม่ส่ายไปทางยินยียวยินร้ายทนนั้นก็เอามาใช้การเจริญวิปัสสนาได้หรือใช้วิปัสสนาเพื่อรักษาให้มันความเป็นกลางของใ จ, จได้คือพอเราได้สมาธิแล้วพอเราออกมาแป๊บเนี่ยจิตมันจะส่ายออกไปทางรักกับทางชังเราก็ต้องเอาปัญญาวิปัสสนาเนี่ยมาประกบให้มันกลับมาอยู่ตรงอุเบก เห็นอะไรก็อยากจะยินดีเพราะมันเป็นกายรักไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จากเราไปเห็นอะไรก็อยากไปรังเียเดี๋ยวมันก็ไปเราไม่ต้องไปขับไล่สายส่งมันเดี๋ยวมันก็ไปเป็นมันเจ็บมันโกรธเดี๋ยวมันก็หายไม่ต้องไปไล่มันหรอกไม่ต้องไปหนีจากมันเมีรอยใช้วิปัสสนาเพื่อที่จะประคับประคองจิตให้ให้เป็นอุเบกขาไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น พอมันทําไปจนกระทั่งมันทํางานแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติแล้ไม่ต้องสอนแล้วพออะไรต้นมันก็เฉยมันก็เฉยแต่ตอนต้นต้องสอนก่อนแล้วแรกเราคิดก่อนคิดคิดแล้วจะทำอย่างนี้คิดแล้วก็เราไปใช้กับความจริงตอนหลังมันเกิดขึ้นเองพอมันทํางานแล้วมันก็ไปโดยอัตโนมัติเหมือนคนตายแล้วก็รู้ต้องเผาแะ้วมีบนพระไปหาโรงมาแล้วแต่ตอนต้นต้องคิดไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อน ถ้ไม่คิดเดี๋ยวพอถึงเวลาไม่รู้จะทันไหนวัดไะจองที่ไหนไปซื้อลงศพที่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าจะมกลับมาทีน่นี่ก็ศ <c oughs> ีลธรรมตา ม, มาถ้าเกิดตื่นก็อยู่วัดในพุทศาสนาที่มีวิธีกรรมไม่มีหรอกมันมีในสมัยนี้แหล ะ, ะ อ, นนอันนี้ก็จัดเข้าข้อดีของศาสนาไม่ไม่ทางศาสนามันทําด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเช่นจ่าสังฆทานก็เพื่อที่จะได้รู้ว่า ต้องการจะถวายสังฆทางไม่ใช่มาถึงก็มาตั้งวางมาแล้วกลับไปแล้วเพ่กล่าวเท่าไหว่าจะขอเอานี่มาถวายสงเดิรู้วาถวายใครไงที่การการปลุกเสกไม่มีไม่มีวัดระแก้วไม่มีประเทศไม่มีพรพุทธรูปไม่มีในสมัยมุตการออกแล้วจะทำในวัดหลวงพระแวอางนั้นมนมีพามีพรมีพามันมีสัตว์มันมีรักที่อย่างอื่นมาผสมผสานกันจนกลายเป็นของจีิงขึ้นมา มีพิธีพิธีของสมเของเทพาี่นานนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่มันก็นแค่เผาศพเท่านั้นอ่ะงานหลักๆก็คือลดความเศร้าโสของมันเป็นธรรมเนียมที่เขาทำกันมาตามความเชื่อในแต่ละยุคยุคสมัย การทำตามมันก็ไม่เสียหายทําไหนถ้าเราคนที่ที่ไปทําแลถ้าร่วมไปอะไรก็ไม่ไปหลงเพื่อไปคิดอะไรก็รู้ว่าเป็นเป็นเป็นอ่าก็ทําผู้แตะชามองไปเรื่อยๆใช่แค่นั้เองแม้กระทั่งการให้พรนี้ก็ไม่ต้องให้ก็ได้จิตรับกันไม่ต้องจิตรับแต่ทํารับคุณก็ได้แล้วอ่ะเพราะพรมันอยู่ที่การกระทํามันไม่ได้อยู่ที่คนชอบเท่านั้นเอง ที่ทนยาบอกแต่ก็าวาแล้วต้องถอจริงๆวาปุ๊บก็ได้แล้วตอเปลี่ยนพิธีให้จะได้รู้ว่าจะถวายยังไงถวายเฉพาะบุคคลไม่จะถวายให้กับส่วนกลางตั้งใจก็โอเคไม่มีศาสนาพุทธเดิมไม่มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นแมาแต่พระพิณายก็ไม่มีสมัยมีแต่ผ้าละหัน ไม่มีใครทาผิดจริงไม่มีใครทำผิดกติกาก็ไม่ต้องสร้างกติกาขึ้นมาแล้วถ้าใช้คำว่าคํากติติต่างกันี่แสดงว่าจิตเรายังไม่มียังไม่ยังอยาได้ใ่มันอย่างลูกใครบาทพระที่เดินข้างหนุกแต่บาปแท่นจาร์ก็บอกก็บอกนะก็มันเป็นอุปทาน่ย เราทําตามตับประทานเราไม่ได้ทําตามหลักทามจริงการกินเราก็รั่วผ่ๆๆ <c oughs> านต้อากินกันแน่เราให้พวกเราเห็นว่าเขาไม่มีอาหารรับประทาน<ไ>เราช่วยเดี๋ยวหลวงพ่อให้เขามีอาหารรับประทานที่บอกให้หมาให้คนมัเหมือนกันจิตจิตให้ด้วยความสงสารมันก็จะมีความสึขเท่ากันอต่นีน้อห า, าบุญไม่เท่ากันก็ผลที่จะได้รับจากคนมันมันต่างกันอแต่ณเวลาที่เรา อำเนี่ยคือเหมือนทำท่านสายบายก็พูดเจ้าแล้วขอให้ท่านช่วยเทศสั้นๆเขาก็บรรลุเป็นพระรหาได้ <S <S <ess im acy> ถ้าสายกับพระไม่ไม่รู้ภาษีภาษาสาสบายท่านท่านก็อาจจะให้พรย่าหาสัตย์พีนั่นก็ไปเพราะท่านมีท่านนั้นท่านให้ละให้ได้เท่านั้นให้ให้ใหนได้แต่ให้ธรรมะไม่ได้สิ่งที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทำเนี่ยมันผ่านกันถ้าให้กับมามันก็มันก็ห่า หรือมันช่วยเร้าบ้านให้เราถ้าทำได้ท่านั้นทำตามความสามารถของเขามีการ น, นิสงที่ได้รับจากผู้ที่เราไปทำด้วยแต่ น, นิสงที่ได้รับจากใจของเราเนี่ยมันเท่ากันเพราะออกจากความสงสารเหมือนกันเห็นคนที่หิวไม่มีข้าวกินเห็นหมาตอนนี้หิวไม่มีข้าวกินก็จัดให้ทั้งสองคนหมาก็จานคนก็จานหนึ่งเท่ากันใจมีทางเท่ากัน บุญตรงนั้นเท่ากันที่ว่าเท่ากันหมายถึงความความกรุณาต่อต่อต่อสัตว์โลกเท่ากันถ้าเรามีสัตว์เพศสัตว์ตายสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราไม่แยกแยะว่าต้องเป็นคนเป็นสัตว์เราเห็นว่ามีความจาเป็นเท่ากันอดอยากขาดแคลนเวลาอดขาน่หิวเหมือนกันเวลาได้กินข้าวก็อิ่มเหมือนกันอนนี้มีเป็นความรู้สึกในใจ แต่เราไปเอาความรู้สึกที่ว่าอท่านเป็นภาพวิเศษกระถางท่านเราอันนี้มันเป็นความอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเอง เ, เราเราเราสร้างขึ้นมาเองรู้เข้ว่าพี่ปุ๋ยยังคิดว่าสมมติเราทำกับหลวงตาเนี่ยมันมันบูดไปชนีที่พี่ปุ๋บอกอ่ะมันจะไม่นะท่านที่ทำกับหลวงตาเพราะท่านแสดงทําให้เราฟังนี่นี่ต่างหาที่เราที่เราได้อัน ที่ที่เราไม่สามารถได้จากคนอื่นเนี่ยก็คือจากการแสดงคําของท่านแต่สมมติว่าถ้าท่า น, ทานรับแล้วท่านไม่พูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ส่วนนั้นแล้วพปกบคนที่ไม่เองค่ะ ท, ท่านอาจรย์ทคำแพระอริยะเนี่ยมันเหมือนถูกหวานข<ล><ม>้าลงไปที่นาที่มี๋ยก็ก็ได้ธรรมะไงก็ได้ธรรมะนี่ไงที่เป็นปุ๋ยเป็นแต่ถ้าท่านไม่ไม่ไม่พูดอย่ยเพระพระเจดกับพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนใครย่างเงี้ย ก็ไม่ต่างกันนะก็ไม่ต่างกันจะเมันการถวายกับพระที่เป็นใบ้อย่างเนี้ยเราไม่ได้มาจากท่านเราได้จากตัจากความสงสารของเราถาวายกับพระที่เรารู้ว่ามีคนบอกว่าพระองค์นี้ไม่ค่อยดีเออไ ม, ไม่ไม่ค่อยเจ็บพระที่สมบูรณ์อย่างนี้ก็สมมติว่าเป็นมนุษยธรรมเสมมติว่าถ้าท่านอดข้าวอย่างนี้เราก็สงสารท่านเราก็มองข้ามความไม่ดีของท่านเสีย แล้วเราก็ให้เขาเพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเราดูตรงจุดนั้นเขาเรีว่ามานุษยธรรมํานวจยิงผู้ร้ายเราอยังต้องจับเข้าไปรักษาโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลรักษาก่อนก่อนที่จะจับไปขึ้นศาลไม่ใช่เพราะอ๋อนี้คนเลวยิงมันแล้วไม่ต้องไปรักษามันกว่าให้มันหายของมันเองหรือตายของมันเองไปไม่ใช่ยย น, น, น, นั้นเป็นจิตใจที่ร้ายแค่จิตใจที่ร้ายความสงสาร แม้กระทั่งศัตรูของเราเนี่ยถ้าก็เดื อ, อน้อนรองยื่นมือช่วยเหลือเขาได้เนี่ยจิตใจเราสูงขนาดไหนที่เรยนมาแล้วนี่ยมีความหมายของบุญบุญก็ทำให้จิตเราสูงจิตเรามีมีมือความเมตตาการุณาโทษญาวถึงไม่เอาโทษพระเทวทันพยายามฆ่าแค่หนึ่งสามครั้งตั้งกับเมตตาสงสาร ให้อภัยเพราะความสิงส่งของจิตัเพราะความราคาตพยาบาทมันทําให้มันร้อนใจเราร้อนเป็นทุกข์ขึ้นมาใจเราต่ําล ง, งทันทีจากเทก็กลายเป็นมารไปอย่างที่อาจารย์สมัยที่คำแหนเขาเผาสถานทูตไทยที่ คุมืองเขาแล้วคนไทยเราก็จะไปลอ้ลอมล้อมสานทูดตะเมหมนด้วยจะเผาในหลวงท่านก็สั่งมาบอกว่าตอนนี้เราเราเป็นคนดีอยู่นะเราไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าเราไปเผาแล้วก็เร็วเท่ากับเขานี่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะโขดใครถ้าเราอยากจะรักษาทางดีนะ <c oughs> เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอาฆาตยาบาทใครถ้าเราอยากจะ เป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐย่อมมีเมตตากรุณามุ้ดตาอุเบกขาหรือประจำจิตใจทำได้อย่างมากก็คืออุเบกขา<ม>ก็ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาคนละกันเขาเชื่อเขาเลวอย่างไรเขาก็ต้องรับผลของเขาสักวันหนึ่ง เขาดีแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยินดีกับให้กับการกําการวุติการของเราเราก็ต้องวางอุเบกขาไปเห็นคู่ต่อสู้ของเราเราไปสแสดงความยินดีเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรไม่สนใจเรา ก, ก็เราก็อุเบกขาแล้วก็เฉยเราก็ไม่เสียใจคือเรายืน่นยื่นความปรารถนาดีให้กับเขาแต่เขาไม่ยินดีจะรับก็ไม่เป็นไรเราทาหน้าที่ของคนดีไปแล่วกัน วันดีมีหน้าที่อยู่สี่รประการนี้สามประการหลักก็คือเมตตากัุปณามุติตาโซนเบคานี่เป็นการทำใจของเราไม่ให้ไปเสียใจเวลาที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราได้ทำไว้เรายิ้มให้คนอื่นเงนี้แล้วก็ไม่ยิ้มตอบนี่เราก็ต้องอบเบคาเ์มาแล้วไปยิ้มแล้วไม่ยิ้มตอบก็ไม่ว่าเลย เป็นอะเบกขาชว่าข้างนอกกับข้างใน ย, ย่งกลุ่ก็ <c oughs> มันไม่มีธรรมะไงมันจะเป็นสัญญาอยู่มันเป็นสัญญาอยู่ถ้า <c oughs> ยังดีอ่ะยังดีก็ไม่มีแล้วย่งนี้ังดีก็สแสดงหน้ายักษ์หน้ามานออกมาเลยก็วนไปนะพูดอยู่ในอ่างนี่แหละ อองนอกงานเกิดมจ้าแม่หนว่าไ่สมควรตก็ไม่จจากท่านอาจาเคยตอบแล้ววาจาวัดตาบ้าต่างแล้ว่าอ า, าจารย์ได้เงินงี้ด้หมอนกพอบ้านอยู่ที่พระทิยาแล้วพอดีปีนั้นพ่อไม่สบายพอดีออกพรรษารัะถิ่เสร็จแล้วได้ข่าวจากบ้านว่าพ่อเป็นมะเร็มเราก็ไม่รู้จะทำตัวเราก็เฉยๆอยู่ต่อไปไม่รับรู้เรื่องอะไร ที่นีก็คิดพอ่อทั้งคนแต่เราก็ว่ามาก็ไปทําอะไรไม่ได้เราไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นอะไรเขาจะหายไม่หายมันก็เรื่องของเขานี้ก็มันก็คิดว่าน่าจะมาเนี่ยก็เลยจะจาวลาขออนุญาตของจ้าก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแล้วไม่กลับหรืออะไรมาแล้วก็เลยมาอยู่ที่วัดโัวที่สำคัญทีในเมืองพัทยานั่นผมรัดบ้านจากครับ ทานการอนุญาตให้เราปฏิบัติทุโ ด, ดงเพราว่าทเราได้ดินบาตฉันนม่เดียวฉันไม่บาตได้เพราะท่านก็เคยไปออกทุโดงกับพระธรรมฐานที่จไปไปการหลวงปูฟั น, นท่านก็พอจะรู้จักธรรมเนียมของพระวัป่าก็อยู่อยู่ได้ประมาณสักหกเจ็ดเดือนพ่อเกษียเสียเึ่นนิทานแล้วตอนนั้นก็ หลังจากทาทำศพเสร็จแล้วก็มันก็ก็จะเข้าเป็นษาแล้วแล้วก็เลยคิดว่าอย จ, จะมองอยู่อยู่ของเราไปไม่กลับไปเพราะเห็นว่ามีพระอยากจะเข้าไปมากแล้วที่มันมีน้อยถ้าเราไม่เราไม่ไปสักคนก็มีที่ว่างให้พระองค์ท่นได้เข้าไปปรหลงกาท่านก็เคยเทศี่เรื่อยพวกพระเก่าๆน่าจะ ขยับขยายออกไปแต่บางทีว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นยังหละที่ดีของเราที่เราถ้าคนที่อยากขยับขยายออกไปเพราะอการได้ยินได้ฟังธรรมของท่า น, นก็ถ้าดูหนังก็เหมือนกับว่ามันดูหลายรอบแล้วมันอยู่ที่ตัวเรา ม, มากกว่าแล้วเราก็อยากจะลองอยู่แบบแบบที่ไม่ดุบุบายใจมากดูเพื่อเราจะดูแลรักษาใจของเราได้ครับ วามีมีความตั้งใจจะมามาอยู่ที่วัดยาเ น, นี่ยเพราะอนหน้านี้เ ค, เคยเคยเคยแวะมาเคยมามาครั้งในเมื่อตอนต้นปี 20. สองเมื่ออยู่ประมาณสักสองอาทิตย์แเห็นว่ามันก็เป็นวัดเดียวมื่ครั้งนี้ที่มีมีทางปฏิบัติทางสายวัป่าพอพออยู่จำพรรษาที่วัด น, นั้นได้พอปรรษาแล้ววัด ปีั้นปีสองเจ็ดรับกระถิ่เสร็จก็มามาอยู่ที่นี่ก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นต้นก็อยู่ข้างล่างอยู่ประมาณสักสองพันศาพอปีสามสิบต้นปีสามสิบก็ย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้อยู่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ออกนอกวันนอกจากมีเท่าจะเป็นบ้างไม่ใช่ น, อน้อยไปครัง้ง ทำานไปทีที่ผบอกให้ลาเี่ยนให้ีมันะนได้ีมได้แต่ไม่ได้รับเท่านั้นเพราะถ้ารับปับนี่มันมันมอนบมดอิสระภาพเลยมันต้องรับทุกไลายใช่่ ยถาวริวาาปุราปริภเรนติสัังเอวเมวะอิตสินังเตตนังอุปคปติอิชิตังปิังตมหมทิปเมวะสันิชตุสาเพรนตุังขปาจันโทปัญญาุยถานุโสติรัยถาสสติโยวิวัชานุสาะโรโควินาตุ มาเตผวะตวันกราโยสุขีทีไพโกภวอภิวาทานศีลสษนมิจังวุฒาปจายโนจตารโรธัมมาวาทาติอายุวันโสุขังภาลัง